การนมัสการหลวงพ่อปะมวดปา ม, ามโชนะครับผมในนามของทิศยานุสิทธิ์นะครับคณะรัทธายาติธรรมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่แล้วก็ทุกๆที่นะครับที่เดินทางมาถึงณสถานที่แห่งนี้นะครับตลอดจนนะครับยติธรรมนะครับที่กําลังรับฟังรายการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวัดกสุเทพนะครับ FM 96เมกะเฮิร์และก็สถานีวิทยุชุมชนมูลนิธิบุญญาพรวัสดุพนารามคลื่น FM 90.7 เมกะเฮิร์ขนาดนี้ขนาดนี้ได้เวลาอสมควรผมขออรัชนาหลวงพอ่อประมุขประมุขโชว์ได้โปรดแสดงธรรมนพิธีการครับครับครูบาอาจารย์แานสาธารณะทุกทุกรูปเจริญพรยรยายมทั้งหลาย นึกไม่ถึงนะว่าคนทางนี้จะสนใจธรรมะ ม, มากขนาดนี้นะเมื่อก่อนเวลาจะมีอะไรอย่างเนี้ยมีคอนเสิร์ตมีอะไรนะต้องรนรงค์มากเลยให้คนมาแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องรนอารงค์นะแค่มีธรรมะคนก็มาฟังนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ดีนะในสังคมไทยสังคมที่วันนี้มันเต็มไปด้วยความร้อนทุกคนทุกแห่งนะเต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อน การแข่งแย่งชิงดีสะเลาะพิบัตนะิหาความสุขหาความสงบไม่ค่อยจะได้ในบ้านในเมืองการที่พวกเราหันมาสนใจธรรมะนะั้นมันจะนําประโยชน์นําความสุขมาให้เราไม่มีอะไรจะให้ประโยชน์ให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงเหมือนกับธรรมะอย่างประโยชน์ทางโลกนะั้นได้มาไม่นานมันก็เสียไปความสุขทางโลกโลกความสุขเจอด้วยความทุกข์ สุขประเดี๋ยวก็ดาวเราลองทบทวนชีวิตของเราดูตั้งแต่เด็กๆมาเราก็ผ่านความสุขมาตั้งเยอะและ้วในที่สุดทุกอย่างมันก็ผ่านไปวันนี้ยังถูกอีกเร่ความสุขอย่างโลกๆนะประโยชน์อย่างโลกๆอะไรเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันแต่มันดีชั่วคราวมันอยู่ได้ชั่วคราวไม่เหมือนธรรมะนะธรรมะอยู่กับเราได้ตลอด ยิ่งเราฝึกไปเรื่อยๆนะจเจริญสตนะิมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสะสมไปเรื่อยยิ่งสะสมได้มากเท่าไหร่ในะชีวิตยิ่งมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเรารู้เลยว่าอะไรคือสาระแก่นสารที่แท้จริงของชีวิตมันสามารถมีความสุขอยู่ได้นะท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางความเดือดร้อนนะโลกมันก็ไม่มีวันสงบหรอกโลกมันก็วุ่นวายอยู่อย่างนี้นะหาความสุขหาความสงบจริงๆไม่มีหรอก แต่ในท่ามกลางความวุ่นวายนะั้นะจิตที่ฝึกดีแล้วมีความสุขจิตที่ฝึกดีแล้วมีความสงบอยู่ได้นะถึกไม่รวยก็อยู่ได้นะมีชีวิตที่มันเต็มมันอิ่มอยู่ในตัวของตัวเองไม่รู้จะบอกยังไงนะว่าปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขขนาดไหนใจกับธรรมะมนะันเข้าสื่งกันนะมีความสุขมีความสุขเหมือนขนาด ธาตุขันร่างกายของมนุษย์นี่มันทนอยู่ไม่ได้มันรองรับความสุขอันมหาศาลของธรรมะนี้ไม่ไหวแปบบลกถ้าความสุขของธรรมะนะั้นมันอยู่กับเรามาได้เลยนไม่เคยหายกนะี่วันกี่ปีกี่เดือนก็อยู่อย่างนั้นเองนะถ้าเราภาวนาเราก็จะได้รับความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนนะงั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านให้เรานะั้นท่านให้ประโยชน์ให้ความสุขประโยชน์ก็ตั้งแต่ประโยชน์เบื้องต้นในการดํารงชีวิต ประโยชน์ในอนาคตคนที่มีธรรมะนะั้นมีชีวิตที่มั่นคงมีชีวิตที่มีความสุขรออยู่ข้างหน้ามากขึ้นมากขึ้นประโยชน์อันยิ่งคือมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรเหมือนนิพพานไม่ใช่สภาวัอุดมคติที่ท่านสร้างขึ้นลอยๆเอาไว้หลอกให้พวกเราสนใจปฏิบัติธรรมหรือว่าทําคุณงามความดีเอามาเป็นเครื่องล่อนะว่าทําไปนะแล้ววันหนึ่งจะนิพพานนิพพานแล้วจะมีความสุขนะ จริงๆท่านไม่ได้ลอออย่างนั้นท่านชี้ให้เห็นไว้ว่าของดีนั้นมีอยูนะ่เพียงแต่ว่าเราจะดีพอสำหรับของดีอ น, นั้นหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าพวกเราศึกษาปฏิบัติธรรมไปให้สมควรแก่ธรรมวันหนึ่งเราเห็นนิพพานนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราไม่เคยหายไปไหนเลยนะกี่วันกี่เดือนกี่ปีมันก็อยู่อย่างนั้นไม่เคยหายไปไหนเต็มบริบูรณ์นะเต็มอยู่ทั้งโลกกระดนะไม่มีบกพร่องสักนิดเดียวเลย แต่ใจที่มันบกพร่องเนะี่ยใจที่มันไม่เต็มใจที่มันดิ้นรนไม่มีความสงบไม่มีสันติใจชนิดนี้ไม่คู่ควรที่จะเห็นนิพพานก็เลยไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเราปล่อยจิตปล่อยใจของเราไหลาตามกิเลสไปฟุ้งซ่านไปวุ่นวายไปปรุงแต่งไปเรื่อยๆเราก็ไม่มีวันที่จะเข้าถึงนิพพานไม่มีวันที่จะเข้าถึงความสงบสันติ เพไม่มีวันได้รับความสุขอันเกิดจากความสงบสันติที่วิเศษยิ่งใหญ่นั้นแต่ถ้าหากเราได้พัฒนาจิตใจของเรานะให้ก้าวเข้าไปสู่สภาวะซึ่งพ้นกิเลสเป็นลําดับลําดับไปนะพ้นจากกิเลสมันก็พ้นความปรุงแต่งนะพ้นความปรุงแต่งนะพ้นาจากความมีตัวมีตนจากความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะพ้นจากขันเนะนี่ยก็พ้นจากทุก ค่อยๆฝึกนะไม่จะพ้นจากกิเลสพ้นจากความปรุงแต่งว่ามีกิเลสมันก็มีความปรุงแต่งมีความปรุงแต่งมันก็มีขันขึ้นมามีขันขึ้นมามันก็มีทุกข์ขึ้นมานะถ้าพ้นจากกิเลสได้ก็พ้นสิ่งเหล่านี้ไปด้วยหมดความปรุงแต่งหมดความยึดถือในรูปธรรมนามทาทำในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะจิตใจก็ได้รับอิสระภาพาจิตใจเป็นอิสร ะ, ะจิตใจไม่มีภาระที่จะต้องแบกหามสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ใจที่หมดกิเลสนะก็เป็นใจที่หมดภาระใจที่มีกิเลสอยู่เป็นใจที่หิวหิวตลอดเวลามีความต้องการเกิดขึ้นตลอดเวลาอยากโน่น อ, อยากนี้อยากโน้นอยากนี้ตลอดพอความอยากเกิดขึ้นใจก็เกิดความดิ้นรนใจที่เกิดความดิ้นรนก็ไม่สงบสุขหาความสุขที่แท้ จ, จริงไม่ได้เพราน <is> ั้นเราก็เลยไม่เห็นนิพพานแล้วใจเราพ้นจากกิเลสเมื่อไรใจก็พ้นจากการดิ้นรนปรุงแต่ง ใจก็เข้าถึงนิพพานพานิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นกิเลสนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหานะชื่อว่าวิราคะนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปลุงแตง่งชื่อว่าวิสังขารนิพนะพานเป็นสภาวะที่สิ้นขันนะก็หลุดพ้นจากขันไม่ยึดถือในรูปในนามเป็นบิมุตดนะความหลุดพ้นงั้นพวกเราต้องมาค่อยๆศึกษาธรรมะนะเพื่อจะล้างกิเลสออกจากใจเราให้ได้ ล้างได้มากเท่าไหร่มีความสุขเท่านั้นบางคนบอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนามองโลกแง่ร้ายเอ๋อาก็สอนได้เริ่มต้นถือความทุกข์ทุกนูนทุกนี้ทุกตลอดเวลาเนี่ยฟังแล้วหดหูใจบางคนบอกว่าไม่ดีเลยความจริงท่านสอนของจริงจริงจริงชีวิตมันทุกข์คนมองไม่เห็นนะมันก็คิดว่าชีวิตเป็นสุขก็หลงระเริงไปนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่ว่ามีทุกข์อย่างเดียวท่านสองทางพ้ทงนทุกข์ด้วย คำสอนของท่านจะครอบคลุมในเรื่องของทุกข์กับความพ้นทุกข์นะั้นไม่ใช่หมองโลกแง่ร้ายถ้าบอกว่าชีวิตนี้ทุกข์แบบไม่มีทางออกนี่แหละศา ส, สนาพุทธมองโลกแง่ร้ายนี่ท่านไม่ได้สอนแค่นั้นท่านสอนทุกข์แล้สอนวิธีที่จะพ้นทุกข์นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมองโลกแง่ร้ายท่านให้เรายอมรับความจริงมีปัญหามีความทุกข์อยู่จริงๆนะแล้วก็สอนวิธีที่เราจะพ้นจากความทุกข์นี้ด้วย จะพ้นทุกข์ได้ได้นะมันก็พ้นค่อฝึกจิตฝึกใจไปจนมันพ้นกิเลสเมื่อไหร่ก็พ้นทุกข์เมื่อ น, นั้นแหละตัวที่ทําให้จิตใจเรามีความทุกข์จิตใจเรามีความร้าวร้อนอยู่ตลอดเวลาก็คือกิเลสทั้งหลายนั่นเองนี่กิเลสนะมันมีหลายระดับการที่เราจะศึกษาปฏิบัติธรรมนะเราต้องค่อยๆพัฒนายกระดับจิตใจของเราขึ้นเป็นลําดับลำดับไปอยู่ๆปุ๊บปั๊บจะมาบรรลุมรรคผลนิพพานเลยนะัมันเป็นไปไม่ได้ นะกิเลสมันต้องล้างไปเป็นลําดับลําดับก่อนเครื่องมือในการล้างกิเลสก็คือศีลสมาธิปัญญานะเวลาทําต้องทําให้พร้อมนะทำให้ถึงพร้อมพระพุทธเจ้าถึงสอนอว่าไม่ทํำบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมไม่ใช่เดินปัญญาอย่างเดียวนะบางคนนะมักง่ายคิดจะเดินปัญญาอย่างเดียวแล้วคิดว่าถ้ามีปัญญาแล้วก็ศีลสมาธิอะไรมันจะมีไปหมดเลยมันจะหลุดพ้นไปได้เองจริงๆไม่ได้หรอก เวลาเราเรียนหนังสืออะไรอย่างนี้ต้องเรียนเป็นชั้นๆนะมีชั้นปถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาอนะไรนี่การปฏิบัติธรรมก็มีเป็นชั้นๆเหมือนกันนะเบื้องต้นเราเราต้องรักษาศีลไว้ก่อนศีลเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะลดบาปอากุศลนะการทำบาปการทําผิดทางกายทางวาจาสมาธิเนี่เป็นเครื่องลดการทําบาปทําผิดทางใจ ปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องทําลายความเห็นผิดงั้นก่อนที่จะทําลายความเห็นผิดได้นะต้องล้างกิเลสหยาบๆไปก่อนกิเลสหยากที่สุดเลยคือกิเลส ท, ที่มันย้อมใจเราติดผลักดันให้เราทําผิดทางกายทางวาจางั้นจะดูถูกศีลบางคนดูถูกศีลนะคิดว่าจะภาวนาแล้วไม่รักษาศีลคิดว่าทำสมาธิแล้วไม่ต้องมีศีลนั้นมันทฤษฎีของพระเทวทัตและ มีสมาธิมากนะห่อเหินเดินอาการได้โอ้ฉเฉลียวฉลาดหลอกลวงเอาคนไปเป็นสารุสิตได้เยอะแยะนะแต่ไม่มีศีลด่างพลอยไปไม่รอดเนะี่ยศีนี่เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างหยาบคือราคะโทสะโมหะกิเลสก็มีอยู่แค่นี้เองราคะโทสะโมหะกิเลสมีสามตัวเท่านี้เองนะต้องเรียนให้ถ่องแท้นะกิเลสมีอยู่แค่นี้แหละทำไมไม่ชนะมันซะจีกิเลสมีเท่านี้ทําไมถูกมันหลอกอยู่ตลอดเวลา ราคารู้จักไหมราคะราคาเป็นกิเลส ท, ที่จะดึงนะเป็นดึงดูดเอาสิ่งต่างๆเข้าหาตัวเองอยากได้อย่างอยากได้พวงมาลัยต้องไปดึงเข้ามานี่ราคะพอดึงเข้ามาแล้วโอ้นี่มีหนอนอยู่นะโทสะโทสะคือสภาวะที่อะไรที่ผลักผลักอารมณ์ออกไปนะราคาเป็นสภาวะที่จะดึงอารมณ์เข้ามาโทสะเป็นสภาวะที่ผลักออกไปโมหะเป็นสภาวะที่จับจดลังเลเอาไง ไม่รู้จะเอาอยัางไงดีนะวกไปวกมาหมุนไปหมุนมากิเลสมีอยู่เท่านี้ถ้าเมื่อไหร่กิเลสมันยอมจิตไดนะ้โอกาสที่จะทำบาปอากุศลทางกายทางวาจาก็เกิดขึ้นอย่างพวกเราเมื่อกี้ได้ยินว่าให้เราตั้งใจรักษาศีลรักษาศีลอย่างน้อยศีลห้าต้องมีนะกระทั่งพระหรือภิกษุณีหรือแม่ชีหรือสามเณรอะไรก็ต้องมีศีลห้า ไม่ใช่ศีล2องสศีล300รอกว่าข้อแล้วก็ทิ้งศีล5้าศีล5้านี่แหละพื้นฐานที่สุดเลยสําคัญที่สุดเลยสําหรับการปฏิบัติศีลอื่นๆเนีเป็นศีลของแถมศีลที่เป็นตัวกิเลสล้างกิเลสตรงๆเลยนะตัวศีล5้านี่ตัวสําคัญที่สุดเลยงันเบื้องต้นเรารักษาศีล5้าไว้ก่อนนี่บางคนบอกรักษายากอย่างเลยศีล5้าแค่5ข้อก็รักษาไม่ไหวแล้วรักษาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่รักษาใจ ถ้าเรารักษาใจาเราได้อย่างเดียวนะสี่กี่ร้อยข้อก็รักษาได้เพราะคนทําผิดสี่นั้นเพราะกิเลสกิเลสมันย้อมใจได้ยกตัวอย่างนะเช่นโทสะมันย้อมใจเราได้เราก็อยากไปฆ่าเขาอยากไปตีเขาไปด่าเขาไปส่อเสียดเขาไปว่าร้ายเขาอะไรเงี้ยะหาทางแกล้งเขาเนี่ยเพราะโทสะมันครอบงําจิตถ้าราคามันครอบงําจิตได้นะมัก็อยากไปเป็นชู้เขาอยากขาโมยเขาอะไรเนี้ย พ, พูดจาหลอกลวงเขาข้อข้อสีเนี่ยข้อหลอกลวงเนี่ยหลอกลวงเพราะโกรธก็ได้หลอกลวงเพราะรักก็ได้ะยิ่งหนุ่มๆ น, น, นะมันจะมาจีบสาวมันอยู่ไปเชื่อมหน่องโกหกนะยังบอกรักคุณที่สุดในโลกเนะี่ยพวกเราชาวพุทธต้องชี้หน้ามันเลยโกหกจะมารักคนอื่นที่สุดในโลกเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกแต่ละคนรักตัวเองที่สุดในโลกนะเนี่ยคนทําผิดศีลได้นะเพราะกิเลสมันยอมจิตถ้าเรารักษาจิตไม่ได้เนะย การรักษาศีลจะเป็นของง่านยะครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนหลวงพ่อมาบอกว่าถ้ารักษาจิตได้อันเดียวนะศีลก็เกิดขึ้นละอะไรเป็นเครื่องมือรักษาจิตไม่ให้กิเลสครอบงาจิตก็คือสตินั่นเองดังนะั้นถ้าเรามีสติรักษาจิตนะศีลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ใช่เรื่องยากเห็นไหมฝึกให้มีสติขึ้นมากิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ กิเลสเกิดทั้งวันเดี๋ยวก็ราคะเกิดนะชอบใจอยากจะดึงอันน้นอันนี้เข้าหาตัวเองเดี๋ยวโทสะเกิดอยากจะปรับอารมณ์อย่างน้นอันนี้ออกไปอยากจะให้มันพ้นๆไปเดี๋ยวโมหะเกิดนะหลงลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจฟุ้งซ่านไปนะลืมตัวเองหรือไม่ละอายบาปไม่เกรงกลัวผลของบาป น, นี่พวกจกักูลโมหะนะหรือความลังเลสงสัยนะในพรระัลตนาไตรเรียกว่าเป็นพวกโมหะ ถ้าลังเลสงสัยว่าถนนข้างหน้านี้ชื่ออะไรอันนี้ไม่เรียกว่าโมหะนะไม่ไม่ ไ, มไมใช่เรียกว่าสงสัยฟุ้งซ่านไม่ใช่นะต้องต้งถ้าถ้ า, ถาความลังเลสงสัยเนี่ยหมายถึงสงสัยในพระรันตรนะไตรสงสัยของอื่นไนมะ่สงสัยธรรมดาคนคนนี้ชื่ออะไรไม่ไม่ใช่ตระกูลโมหะให้เราคอยมีสติไว้นะสังเกตที่ใจเราเดี๋ยวใจเราก็หิวอารมณ์อยากได้ เดี๋ยวใจเราก็เกลียดอารมณ์อยากผลักนะเดี๋ยวใจเราก็ลืมตัวเองลืมกายลืมใจกายเป็นยังไงก็ไม่รู้ใจเป็นยังไงก็ไม่รู้ลืมตัวเองนะหลงลืมตัวเองเนี้ยโมหะนะค่อยๆสังเกตจิตไปเรื่อยๆสังเกตจิตไปเรื่อยๆจิตเกิดราคะก็รู้ทันจิตเกิดโทสะก็รู้ทันจิตหลงไปก็รู้ทันนะแต่ละตัวแต่ละตัวเนี้ยเป็นกิเลสกลุ่มใหญ่ๆราคะโทสะโมหะมันมีลูกมีหลานของมัน อย่างโทสะนะั้นก็มีลูกหลายตัวอย่างอิจฉาความอิจฉาก็เป็นโทสะนะความกังวลใจความกลัวความเกลียดเนีนะเหล่านี้เป็นโทสะนะความจะ ห, หนีหวงแหนเป็นโทสะนะเกิดขึ้นมาราคะก็มีหลายตัวนะมีตัณหาอย่างตัณหาความอยากนะมานะความถือตัวนะทิฏฐินี่ก็ตะกูฎ ร, ราคะ ยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองกิเลสมันมีลูกนะมีลูกย่อยๆออกไปในแต่ละตระกูลแต่ละตระกูลบางคนไม่ละอายบาปไม่เกรงกลัวผลของบาปนี่ก็เป็นลูกของตระกูลโมหะกิเลสก็มีสามตระกูลใหญ่ๆนี่ราคาโทวสามโมหะแต่ละตัวก็มีลูกมีหลานย่อยๆออกไปทำหน้าที่เหมือนกันหมดเลยกิเลสกิเลสทุกตัวทาหน้าที่อันเดียวกันนะจะทให้เราลืมตัวเอง ลืมกายลืมใจอย่างพอรักข้าเกิดนะความรักเกิดเราจะไปคิดถึงคนที่เรารักโทสะเกิดเราไปคิดถึงคนที่เราเกลียดนะลืมตัวเองนะโมหะเกิดก็ฟุ้งไปเลยคิดเรื่อง น, อน้นคิดเรื่องนี้ไปเรื่อยลืมกายลืมใจของตัวเองนะีกิเลสมันทําหน้าที่หลอกลวงให้เราลืมตัวเองทั้งนั้นเลยนะงั้นเราคอยรู้ทันมันนะอย่าปล่อยให้มันครอบงําจิตงั้นะนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันรู้ทันไปเรื่อยนะอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูด ฟังแล้วงงถ้าคนนี้พูดอะไรฟังยากนะฟังแล้วงงฟังแล้วหงุดหงิดนะแต่คนฟังหลวงพ่อหงุดหงิดไม่ค่อยมีหรอกนะส่วนมากฟังแล้วมีความสุขนะแล้วสุขแล้วเพลินไปเลยนี่ราคะนะระวังนะฟังหลวงพ่อปราโมทยเทศจนเกิดราคะระวังนะไอ้ที่ฟังยังเกิดโทสะไม่ค่อยมีหรอกนะมีเหมือนกันนะบางทีฟังแล้วแสลงหูนะแบบคนทั่วๆไปคนในโลกนี่ไม่มีสติเมื่อก่อนเทศอย่างนี้นะ เดี๋ยนี้ต้องค่อยๆลดระดับลงหน่อยคนส่วนมากไม่มีสติความจริงเราอยากบอกว่าคนทุกคนเลยไม่ค่อยมีสติหรอกนะคนทุกคนนั้นส่วนมากคนส่วนใหญ่ไม่ลืมตัวเองลืมกายลืมใจตัวเองนั่นเรียกขาดสตินะให้เราคอยรู้ทันนะอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้ไปถ้าจิตใจเรามีความสุขเราคอยรู้ถ้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นถ้าจิตใจมีความสุขแล้วเราไม่รู้ทันนะราคะจะเกิดขึ้นเห็นไหมมีความสุขแล้วมันจะเพลินเห็นไหม มีความสุขแ ล, ล้วเผลอเพลินสบายใจชอบมีความสุขถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็มีสติรู้ทันนะโอ้จิตใจหรือร่างกายนี้มีความทุกข์ขึ้นมาล้ถ้ารู้ไม่ทันอะไรจะเกิดขึ้นโทสะจะเกิดขึ้นอย่างเวลาเราไม่สบายสังเกตไหมหงุดหิดง่ายนะมีความทุกข์เกิดขึ้นนะโทสะมันแทรกง่า ย, ยากิเลสไม่ชอบแทรกตามเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเยเฉยเไม่เด่นไม่โดดเด่น ก็หลงง่ายไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์หลงเพลินๆไปวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเราเคยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตเครู้ทันไม่ยากนะใครไม่รู้จักโทสะใครไม่รู้จักโกรธมีใครไม่เคยโกรธไหมมีใครไม่เคยอิจฉามีไหมใครรู้จักว่ากลัวเป็นยังไงยกมือขึ้นซิกลัวนี่โลวงสหลวงพ่อหลอกแล้วใช่ไหมอ่าเมื่อถามใครไม่รู้จักโกรธเฉย ใครไม่รู้จักร่อบใครใครรู้จักใครรู้จักกลัวใครรู้จักเกลียดนะคําถามต้อกลับข้างกันนะเป็นการทดสอบว่าที่ฟังอยู่เนี่ยฟังจริงหรือเปล่าบางคนฟังตาแป๊บๆมีความสุขนะหลวงพ่อมาเทศธรรมะให้ฟังนะไม่ใช่ทอล์คโชว์นะไม่จะฟังแล้วเพลินไปเรื่อยๆไม่ได้นะฟังแล้วรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปนะทุกคนรู้จักกิเลสนานาชนิดอยู่แล้วนะ กรทั้งลูกเล็กเด็กแดงเด็กๆไปที่วัดหลวงพ่อนั้นเด็กเก้าขวบสิบขวบเจ็ดแปดขวบอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยถามมันว่าโกรธเป็นไหมมันโกรธก็เป็นนะรักเป็นไหมรักเป็นสังเกตที่ใจบอกให้หนูดูออกไหมแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันเด็กก็ยอมรับแต่แต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันบางวันอยากตีแม่ด้วยซ้ําไป ในขนาดเด็กเล็กๆนะมันยังดูจิตใจของตัวเองออกเลยอย่าเราอย่าไป น, นึกว่า ก, การมีสติรู้ทันจิตตัวเองเป็นของยากการมีสติรู้ทันจิตตัวเองไม่ใช่ของยากเลยเด็กเล็กๆมันก็ดูเป็นเมื่อวานเมื่อวานก็สอนเด็กอยู่คนหนึ่งเด็กแต่นั้นเด็กสิบสี่ปีนะมันนั่งฟังหลวงพ่อเทศอยู่นะหลวงพ่อชี้หน้าพี่ทีเฮ้ยหลงไปแล้ว <c oughs> ตรงไปแล้ว <c oughs> รู้นะแค่ใจหลงไปคิดนะบอกเขาเนี่ยแค่เนี้ยเขาก็เห็นว่า และจริงๆไม่ใช่ของยากเลยที่จะรู้ทันใจตัวเองพวกเราละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองไม่ยากเลยที่จะรู้ทันใจตัวเองนะโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธสิรอบขึ้นมารู้ว่ารอบหลงไปรู้ว่าหลงนะ ờ, มันสุขขึ้นมารู้ว่าสุขถ้าไม่รู้ทันเดี๋ยวราคะแทกทุกข์ขึ้นมารู้ว่าทุกข์ถ้าไม่รู้ทันเดี๋ยวโทสะแทรกเฉยๆขึ้นมาก็รู้ว่าเฉยๆนะถ้ารู้ไม่ทันเดี๋ยวก็หลงไปเพลินไม่รนะับใครรู้สึกนะนะใครสังเกต ความรู้สึกใดกาลังเกิดขึ้นในใจเราแล้วค่อยรู้ไปนี่หัดดูจิตนะแล้วมันจะมีศีลเกิดขึ้นได้หัดดูจิตนี่แหละทําให้รักษาศีลง่ายอย่างมีศีลอยู่ข้อนะข้อสี่มุสาวาตมุสาวาตไม่ใช่แปลว่าโกหกอย่างเดียวนะมีโกหกใช่ไหมมีพูดสอ่อเสียดสอ่อเสียดคือพูดให้เขาทะเลาะกันยุให้เขาทะเลาะกันเนะี่ยเรียกว่าสอดเสียดพูดคําหยาบพูดเพ้อเจ้อรักษาศีลข้อสี่นี่ยากมากนะตรงพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อหมายถึงอะไร พูดโดยไม่จําเป็นจะต้องพูดพวกเรามีไหมมีไหมพูดจับโดยไม่จําเป็นต้องพูดนะี่เยอะมากเลยนั่นสีนะั่นดังพลอยกับพร่องกับแกล้งได้ตลอดเลยแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันใจนะใจมันอยากพูดแล้วเห็นไหมอยากพูดนี่เป็นโลภะนะใจอยากพูดรู้ทันว่าใจอยากพูดแล้วความอยากดับไปไม่มีธุระก็ไม่ต้องพูดอะไรอยู่คนเดียวสบายๆนะโทรศัพท์เกิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันนะโทรศัพ์มันจะดับไปเองไม่ต้องไปห้ามมันนะ เมื่อไรมีสติรู้ทันนะเมื่อนั้นกิเลสจะดับโดยอัตโนมัตินี่เป็นกฎนะเป็นกฎของธรรมะนี่ธรรมนิยามชนิดหนึ่งเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสนะนั้นเราฝึกให้มีสตินะคอยรู้ทันจิตตัวเองนี่แหละเรียกว่าเรามีสติอยู่นะความจริงลู้กาก็มีสตินะรู้จิตก็มีสตินี่คนเมืองเนี่ยหลวงพ่อจะเน้นเรื่องให้รู้จิตใจเพราะว่าวันวันหนึ่งเรคิดทั้งวันทํางานนะคิดตลอดเวลาเลยคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้นะ จะเอาเวลาไปนั่งสมาธิพิจารณากกยอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาก็าทำกรรมฐานแบบคนอนาถาหน่อยนะไม่มีเวลาภาวนาในรูปแบบมากมายนะักทำไปแบบยากจนคือดูลงปัจจุบันไปนะครอยสังเกตจิตใจของเราไปเลยจิตมีราคะขึ้นมารู้ทันจิตมีโทสะให้มารู้ทันจิตหลงไปรู้ทันจิตหลงใครไม่รู้จักจิตหลงบ้างจิตหลงมีทั้งหมดหกแบบหลงไปดู หลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงทางใจนะลองช่วยกันดูพระพุทธรูปมีองค์หนึ่งนะลองดูซิว่าเป็นศิลปะแบบไหนดูซิตั้งใจดูพระนะดูพระพุทธรูปไม่ใช่ดูหลวงพ่อสังเกตดูซิดูออกไหมว่าเป็นศิลปะยุคไหน สังเกตไหมขณะที่เราจดจ่อดูพระเนี่ยเราลืมกายลืมใจนึกออกไหมเ อ, อเวลาเราดูอย่างเนี้ยใจเราวิ่งไปอยู่ที่โน่นเลยอย่างเราดูพระนะใจเราวิ่งไปอยู่ที่พระเห็นไหมเราลืมตัวเองละลืมกายลืมใจนี่หลงไปดูลนะเวลาฟังตั้งใจฟังขณะที่ตั้งใจฟังสังเกตไหมลืมกายลืมใจตัวเองฟังแล้วก็คิดมีใครฟังโดยไม่คิดบ้างมีไหมช่วยยกมือให้ดูหน่อยหลวงพ่อจะได้ส่งจิตแพทย์นะ เราฟังแล้วเราก็คิดเราฟังแล้วเราก็คิดสลับกันตลอดเวลาไม่มีหรอกฟังอย่างเดียวนะมีแต่ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วคิดแล้วบอกรู้เรื่องความจริงรู้เรื่องเพราะคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องเพราะฟังนั้นบางทีคิดเอาคิดเอาคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้ฉะนั้นธรรมะที่เรียนด้วยการฟังนะแล้วก็บอกเข้าใจเข้าใจนะเข้าใจด้วยการคิดเอาเองนะอาจจะคิดผิดคิดถูกก็ได้อย่างเชื่อไม่ได้หรอกธรรมะอย่างนี้นะต้องภาวนานะต้องดูของจริงเลย เงินราคาเกิดขึ้นที่ใจเคยรู้โทรศัพท์เกิดที่ใจเคยรู้หลงไปแล้วลืมกายลืมใจคอยรู้หลงทางใจเช่นหลงไปคิดหลงไปคิดในหลงทางใจนะขณะที่เราไปคิดเรารู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องที่คิดไหมขณะที่คิดบางทีก็รู้เรื่องบางทีก็ไม่รู้เรื่องเวลาเรารู้เรื่องที่คิดหรือเราไม่รู้เรื่องที่คิดในขณะที่คิดนั้นเราจะลืมกายลืมใจตัวเองนี่หลงนะงั้นคนทั้งโลกเนี่หลงตลอดวันเลย คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้มีใครไม่คิดบ้างมีไหมไม่มีคิดทั้งวันแต่คิดเมื่อไหร่นะแล้วก็ไม่รู้ทันลืมตัวเองไปลืมกายลืมใจเพื่อหลงนี่เราหัสคอยรู้ทันนะจิตวิ่งไปดูรู้ทันจิตวิ่งไปฟังก็รู้ทันจิตหนีไปคิดก็รู้ทันคอยรู้ทันจิตอย่างนี้เรื่อยๆไปนะมันวิ่งไปแล้วเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายขึ้นมานะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงคอยดูความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเนี้ยดูเรื่อยไ ต่อไปไม่ว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตสติรู้ทันนะกิเลสนั้นจะครอบงําจิตไม่ได้ยกตัวอย่างสมมติมีหนุ่มคนหนึ่งสมมตินหนุ่มคนนี้ก็แล้วกันหล่อหน่อยนะหนุ่มคนนี้ไปเห็นสาวตัวเองมีเมียแล้วเห็นสาวรักเขาทำไปรักเขาเน่สติรู้ทันว่า น, นี่ราคาเกิดแล้วราคาจะดับอัตโนมัตินะจะไม่ไปผิดศีลแลเห็นไหมตัวเองมีรูปมีเมียอยู่แล้วก็ไม่ไปยุ่งกับใครแล้วเพราะว่าราคาที่ผลักดันให้ทําผิดศีลมันดับ งั้นการที่เรามีสติรู้ทันจิตตัวเองเนี่ยศีลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะจำไว้นะนะนี่ข้อที่1 น, นะศีลเกิดขึ้นแล้วก็เราไม่ทําบาปอากุศลทางกายทางวาจาละนะต่อไปก็คือให้เรามีสติรู้ทันจิตอีกแหละสมาธิจะเกิดอัตโนมัติได้ไหมเกิดได้อะไรทําให้จิตไม่มีสมาธินิวณ์คือกิเลสระดับกลางศีลเนี่ยเป็นเรื่องสู้กับกิเลสชั้นหยาบราคะโทสะโมหะ สมาธิเอาไว้สู้กิเลสระดับกลางเรียกว่านิมอนใครรู้จักนิมอนบ้างมีไหมไม่ใช่คุนนิมอนนะคงคงไม่เป็นใจ ช, ชื่อไหนนยิมอนแต่เราคนไทยชอบชื่อไหนมานะรู้สึกไหมมานะเป็นชื่อกิเลสชนิดหนึ่งนะเราเอามาใช้เป็นชื่อไหนามานะในที่ห้องนี้มีไหมมานะะมานะมานีอะไรเนน่ะกิเลสนะนะ ร, ระดับกลางชื่อนิมอนนะมันเป็นตัวที่ยั่วย้อมจิตให้จิต ลงกิเลสหยาบหยาขึ้นมาอันแรกเลยการมาฉันทะความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเช่นอากาศร้อนๆนะ้ลมโชยอยากให้ลมโชยๆมาเย็นๆมีความสุขพอใจนะพยาบาทใครรู้จักพยาบาทไหมนะพยาบาทนะรู้จักแล้วไม่ต้องอธิบายใครรู้จักฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านแล้วต่อด้วยรําคาญใจสังเกตไหมฟุ้งซ่านรําคาญใจใครรู้จักหดหู มีใครไม่เคยหดหูไหมใครรู้จักความลังเลสงสัยอันนี้ต้องลังเลสงสัยในพระรัตนตรยัย น, นิวรเนี่ยมันจะทำหน้าที่ทาให้จิตฟุง้งซ่านเวลาจิตเราหยหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช่จิตจะฟุ้งซ่านไปหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเวลาจิตมีพยาบาทเกิดขึ้นมันคิดพยาบาทขึ้นมาจิตมันจะหลงมันจะลืมกายลืมใจตัวเองนะไปนึกถึงคนที่มันเกลียด จะลืมตัวเองมันฟุ้งซ่านออกไปอีกนะเวลาจิตฟุ้งซ่านเนี่ยจับจดเดี๋ยวเปลี่ยนอารมณ์โน้นเปลี่ยนอารมณ์นี้จิตไม่ตั้งมั่นใช่ไหมจิตมันลืมตัวเองไม่ตั้งมั่นลืมเนะื้อลืมตัวไปอีกเวลาจิตหดหูนะจิตก็ลืมตัวเองดูตัวเองไม่ไหวท้อแท้ป้อแปะห่อเหี่ยวใจนะเวลาจิตเกิดความสงสัยยิ่งชิดใหญ่เลยใช่ไหมยิ่งสงสัยยิ่งชิดยิ่งชิดยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งลืมตัวเองไอีก นิวรณ์ทั้งหลายนะกิเลสระดับกลางๆเนี่เป็นตัวย่อใจให้ฟุง้งซ่านย่อใจให้ไม่ตั้งมั่นนะ ถ, ถ้าเรามีสติรู้ทันนะรู้ทันนิวรณ์ที่เกิดขึ้นนิวรณ์เป็นกิเลสถ้าสติรู้ทันอย่างพยาบาทเกิดขึ้นในจิตรู้ทันปั๊บพยาบาทจะดับเองความฟุง้งซ่านเกิดขึ้นในจิตรู้ทันปั๊บความฟุ้งซ่านจะดับเองกระทั่งความสงสัยความสงสัยเกิดขึ้นนะเรามีสติรู้ทันนะความสงสัยยังดับได้เลยแต่ไม่มีคําตอบให้นะ อย่ง ใ, ใจสงสัยเอ๊หลวงภาพประมวทสอนอะไรป่ะขึ้งงใครรู้จักงงมีใครไม่รู้จักเห็นไหยเหมือนกันเห็นไหมถามว่าใครรู้จักเฉยไม่รู้จักเฉยอย่าง <c oughs> ใ, ใจมันงงขึ้นมาเรารู้ทันว่าใจมันงงใจมันสงสัยนะความสงสัยจะดับความรู้สึกนมันจะดับนั้นกิเลสนิวร์ทั้งหลายนะถ้าเรามีสติรู้ทันมันดับเพราะมันดับแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา นี่เป็นวิธีทําให้เกิดสมาธิชนิดหนึ่งสมาธินั้นทําไปเพื่อให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะถ้านิวรณ์เกิดขึ้นแล้มันจะลากเอาใจเราให้ลืมเนือ้อลืมตัวไปแต่ถ้านิวรณ์ดับไปนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิทําไปเพื่อให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนือ้อลืมตัวให้ใจตั้งมั่นนะมีวิธีอีกหลายวิธีที่จะทําให้เกิดสมาธิะสมาธิทําได้เยอะแยะเลยอย่างคนไหนขี้โมโหเจริญเมตตาไว้ เวลาเราโกรธไหมโมโหเก่งโมโหทั้งวันอะไรเนี้ยนิสัยขี้โมโหใจก็ฟุ้งไปเรื่อยฟุ้งไปตามความโกรธเราจเจริญเมตตามองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรมองคนอื่นด้วยสายตาได้ด้วยจิตใจที่มีไ ม, มตรีจิตนะคำว่าเมตตาคําว่าไมตรีคําว่ามิตรคําเดียวกันนะรากศัพท์เป็นอันเดียวกันอย่างเราคนไหนขี้โมโหนะเราก็พยายามมองคนอื่นในแง่ดีมองด้วยความรู้สึกเป็นมิตรนะ บางคนก็โมโหตัวเองก็มองตัวเองด้วยความสงสารมันบ้างนะร่างกายนี้ก็ทุกข์จิตใจนี้ก็ทุกข์นะอย่าไปเกลียดมันเลยนะนี่ก็เป็นวิธีอีกอย่างหนึ่งน ะ, จะเจริญเมตตาเข้าจิตก็สงบได้บางคนฟุ้งซ่านมากนะวันวันหนึ่งเหลิงหลงและเริงไปเรื่อยนะพิจารณาความตายทำมรณสติคิดว่าโอ้ไม่นานก็ตายนะ่าจะแก่งแย่งชิงดีอะไรกันนักหนานะความอยากแก่งแย่งชิงดีมันก็ลดลงจิตก็สงบ มีวิธีทําให้จิตสงบเอแย่เลยคนไหนฟุ้งซ่านเก่งมารู้ลมหายใจหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปให้จิตแนบสงบอยู่กับลมหายใจไม่นานจิตก็สงบนะงั้นสมาธิเนี่ยทําได้หลายแบบแต่แบบหนึ่งที่ง่ายๆเลยนะก็คือมีสติรู้ทันนิวรณ์ไว้อีกอย่างหนึ่งก็คืออีกกลุ่มหนึ่งนะก็คือหาอารมณ์กรรมฐา น, นที่อยู่แล้วสบายนะมาทํา คนไหนประมาทมากพิจารณาความตายนะคนไหนขี้โมโหจเจริญเมตตาเนะี่ยคนไหนขี้โลภพิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภะอะไรเงี้ยเนี่ยจิตใจมันก็ค่อยสงบลงมานะนี่แบบหนึ่งนะไปแก้อาการของจิตจิตมันขี้โมโหแก้อย่างนี้จิตขี้โลภแก้อย่างนี้จิตมันฟุ้งซ่านเก่งแอย่างนี้แก้แล้วมันสงบนะสงบได้ส่วนวิธีที่เราดูจิตดูใจนะเป็นอีกข้างหนึ่งเลยะ เรารู้ทันตัวที่ยั่วให้จิตฟุง้งะพอมันมายั่วนิวรณ์มายั่วจิตให้ฟุง้งไม่ได้จิตก็สงบผลออกมาแบบเดียวกันคือจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมาถึงขั้นที่สามวันนี้บอกแล้วหนะ้าว่าเราจะพูดเรื่องเครื่องมือสู้กิเลสเครื่องมือสู้กิเลสอย่างหยาบชื่อศีลเครื่องมือสู้กิเลสปานกลางคือนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยชื่อสมาธิพอเราสู้ กิเลสยังหยาบได้ศีล น, นะเราก็จะมีชีวิตที่ปลปกติเรียบง่ายนะไม่วุ่นวายสู้กิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ได้นะจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวหลจากนั้นเราจะสู้กิเลส ท, ที่ละเอียดที่สุดคือความเห็นผิดความเห็นผิดนี่เป็นสตรูหมายเลขหนึ่งเลยนะความเห็นผิดนี่มีชื่อไพเราะเพราะคริงไหมคือโมหะหัวโจของโมหะชื่ออวิชชาใครเคยได้ยินอวิชชาบ้าง เคยได้ยินนะใครเคยเห็นอวิชชาบ้างยากล้ถ้าเห็นก็ใกล้เป็นพ ร, ราอะหันนะอวิชชานะความไม่รู้นั่นหัวโจกเลยนะหัวโจกของกิเลสทั้งหลายเลยคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อริยรรสัจสีไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์นะไม่รู้ว่าเรามีหน้าที่ต่อทุกข์อย่างไรนะ ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสมูทั ย, ทยคือเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ว่าเรามีหน้าที่ต่อสมูทัยอย่างไรไม่รู้ว่าอะไรคือนิโรธคือนิพพานนะไม่รู้ว่าเรามีหน้าที่ต่อนิพพานอย่างไรไม่รู้ว่าอะไรคือมรรคทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรนี่มีความไม่รู้ทั้งเยอะแยะนะต้องต่อสู้นะแล้วก็ถ้แยกย่อยลงไปให้ละเอียดอีกนะจะไม่รู้รูปรู้นามในอดีตไม่รู้รูปนามในอนาคต ไม่รู้รูปนามทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุ ป, ปบาทเห็นไหมเอาวิชาตัวเดียวนี่นะนครอบคลุมความไม่รู้ได้8ข้อเนพราะฉะนัะ้นกว่าจะล้างอาวิชาได้ไม่ใช่ง่ายนะอย่างน้อยเบื้องต้นเราต้องล้างกิเลสหยาบกิเลสกลางด้วยศีลด้วยสมาธิมาก่อนแล้วถึงจะมาถึงขั้นล้างกิเลสละเอียดคือความไม่รู้ <นะ S 2> วิธีที่จะทําลายความไม่รู้มีอยู่ทางเดียวคือพัฒนาความรู้ขึ้นมาความไม่รู้เหมือนความมืด ความรู้คือแสงสว่างเราไม่ต้องหาทางทำลายความมืด่ตรงนี้ห้องนี้มืดมืดทำไงมันจะทำลายความมืดไปทำลายไม่ได้จุดไฟขึ้นมาเปิดสวิตไฟขึ้นมาเมื่อใดแสงสว่างเกิดขึ้นเมื่อนั้นความมืดก็ดับไปสร้างความสว่างความรู้แจ้งขึ้นมารู้เรื่องอะไรรู้อริยสัจสี่นั่นแหละนะยากไปเปล่าเนี่ยเทศไปเทศไปรู้สึกยากขึ้นเรื่อยเรื เราจะสู้ความหลงผิดนะความไม่รู้ในความจริงของชีวิตความไม่รู้อริยสัจสี่นะอริยสัจสี่ข้อแรกเลยชื่อว่าทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือกายกระใจของเรานี่เองที่เรามีอยู่นี่แหละคือตัวทุกข์คว่าทุกข์ไม่ใช่แปลว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างนั้นนะนะคว่าทุกข์ในนิยามของตัวอริยสัจเนี่ยหมายถึง อุปาทานขันคือรูปธรรมนามธรรมที่พวกเราครอบครองอยู่นี้แหละขันบางอย่างเรียกว่าอุปาทานขันขันที่พวกเรามีอยู่นี่แหละเรียกว่าอุปาทานขันขันบางอย่างไม่จัดเป็นอุปาทานขันเช่นอะไรเช่นจิตของพระรหันไม่เป็นอุปาทานขันเพราะไม่ทุกข์นะมรรคจิตผลรจิตไม่ใช่อุปาทานขันเพราะไม่ทุกข์นะพวกนี้มีนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ทุกข์มันไม่ใช่อุปาทานขัน เราไม่ต้องเอาจิตของพระอรหันต์หรือมากขจิตผลจิตนี่มาทำมิปัสสนาไม่ต้องมาเรียนให้เราเรียนสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปธรรมนา ม, มารมทั้งหลายที่พวกเรามีอยู่นี่เองกลยกับใจนี่เองเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงความจริงมีสองระดับนะความจริงเบื้องต้นเราจะเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนะตัวเราไม่มีแล้วมันดียังไง ตัวเรามีถึงจะดีเนี่คนทั่วๆไปรู้สึกอย่างนี้ตัวเรามีขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะมีความทุกข์ตามมาด้วยเพราะตัวเรานั่นแหละตัวทุกข์ร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์หรือตัวสุขดูให้ดีนะคนที่ไม่เคยภาวนาจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวสุขหรือว่าคนไหนที่โรคไหน่อก็จะเห็นว่าร่างกายนี้สุขบ้างทุกบ้างนีไม่มีใครหรอกเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์เนี่กความไม่รู้ของเรามีอยู่ ในห้องนี้ใครรู้สึกว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆบ้างมีไหมหรือว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกยังไงแน่ยอมรับความจริงไหมเรารู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างยอมรับความจริงไหมเรารู้สึกว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เห็นหรอกว่าจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยความไม่รู้มันมีอยู่นะจะทาลายความไม่รู้นะก็มีสตินะครยรู้ทันลงไป นะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกคอยดูลงที่กายคอยดูอยู่ที่ใจดูซิความจริงมันสุขหรือมันทุกข์มันดีหรือมันร้ายนะอย่างร่างกายของเราเนี่ยใครมานั่งแล้วยังไม่ได้ขยับร่างกายเลยมีไหมมีแหมใครที่นั่งแล้วยังไม่ได้กระดุ ก, กระดิกเลยนั่งตาก็ไม่กระพริบมีไหม <c oughs> ไม่มีแม้ร่างกายเราเนี่นะมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลย ลืมตานานๆอย่างทุกเลยเห็นไหมลืมตาไปพักหนึ่งก็ต้องกระพริบตาทีหนึ่งแก้ทุกเรากระพริบตามาตั้งแต่เกิดเลยกระพริบจนอัตโนมัติเราไม่เห็นเลยว่าจริงๆมันทุกเราหายใจเพื่ออะไรเราหายใจเพื่อแก้ทุกหายใจออกอย่างเดียวไหนทุกคนช่วยกันหายใจออกซิเอาหายใจออกไปเรื่อยๆสักชั่วโมงอ่ะทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะทุกใช่ไหมเราต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกหายใจเข้าไปเรื่อยๆทุกไม่ทุกละ่ะ ก็ทุกอีกใช่ไหมเราต้องหายใจออกแก้ทุกข์เนี่ยความจริงนะร่างกายเนี่ยแสดงความทุกข์ให้เราดูอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่สนใจที่จะดูเองเลยถ้าสนใจที่จะดูเราจะเห็นมันทุกข์ตลอดเวลานะหายใจออกก็ทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์ลงหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์หยุดหายใจก็ทุกข์แล้วมันจะมีตรงไหนไม่ทุกข์บ้างเห็นไหมยืนก็ทุกข์นะมีใครยืนไม่ทุกข์บ้างมีใครนั่งไม่ทุกข์มีใครนอนไม่ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะกลางคืนเวลานอนนีโดยเฉลี่ยนี สมมติว่านอนสักกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงนะีคนเราจะพลิกไปพลิกมานะประมาณ40สครั้งทําไมต้องพลิกไปพลิกมาเพราะมันทุกข์ในชะ่ไหมเรามองไม่เห็นว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์เพราะเราละเลยเราไม่สนใจมันเนี่ยอยากเดินปัญญานะอยากรู้ความจริงอยากเห็นแจ้งอริยสัจนะคอยรู้สึกตัวดูร่างกายไปร่างกายสุขหรือร่างกายทุกข์แนะ่คอยรู้สึกไปเรื่อยนะรู้สึกอยู่ในกายหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์นะ กินอาหารเนี่ยก็กินแก้ทุกข์ใช่ไหมกินมากไปก็ทุกข์อีกแล้วเนี่ยก็มีแต่ทุกข์ครั้งนั้นเลยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะนั่งอยู่เดี๋ยวว่าขันมีใครนั่งแล้วยังไม่ขันเลยมีไหมก็แปลกนะถ้านั่งแล้วไม่ขันเลยเนี่ยเกายาะเยาะอย่างพอเราขันเราเกาใช่ไหมเราเกาอัตโนมัตินึกออกไหมเวลาเราเมื่อยเราเปลี่ยนอิริยบาบถอัตโนมัติเราไม่เคยรู้สึกเลยว่าทุกข์พรเราเปลี่ยนอิริยาบถไปเลยเราแสบตาเราก็พลิบตาอัตโนมัติเราไม่เคยรู้สึกเลยว่าก็พลิบตาแก้ทุกข์ เราเองละเลยที่จะเรียนรู้ทุกนะเมื่อเราคยกลับมารู้สึกตัวนะมารู้สึกอยู่ในกายเนี้ยเราจะเห็นในกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ต่อไปเรามาดูใจบ้างจิตใจก็มีแต่ปัญหานะใจเกิดความอยากตลอดเวลารู้สึกไหมเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นเดี๋ยวอยากได้รสเดี๋ยวอยากสัมผัสเดี๋ยวอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งอยากปฏิบัติธรรมตั้งแต่เช้ามาเนี้พวกเราอยากอีกครั้งละ นึกออกไหมวันนี้อยากมากี่ครั้งนี่เพิ่งจาก9โมง38นาที33วินาทีะเราอยากกี่ครั้งวันนี้ตั้งแต่ตื่นนอนใช่ไหมพอตื่นปุ๊บอาการเย็นๆอยากนอนอีกหน่อยอมีไหมงั <c> ้น <oughs> นี่ก็อยากแล้วนะเนี่ยไม่เห็นเลยอยากนอนอีกหน่อยอะจะนอนอีกหน่อยนะอเดี๋ยวมาไม่ทันฟังหลวงพ่อประมวท อ, นะ อ, อยากฟังนะอยากฟังนะจะรีบมา จะมาก็กลัวรถติดเองอยากให้การจระาะจรโล่งๆมาแล้วก็กลัวไม่ได้ที่นั่งอยากจะนั่งนั่งไกลๆก็ไม่ดีอยากนั่งใกลๆ้ๆหมนั่งใกล้ๆพามานั่งเผชิญหน้าตัวนี้ชักเครียด <laughs> อยากไปย้ายที่นั่งเ <laughs> ห็นความอยากนะนานๆชนิดเลยเห็นอยากเข้าห้องน้ำเอยากไหมอยากกินข้าวเความอยากเนี่ยตั้งแต่เช้านับดูมีกี่สิบครั้งแล้ว ความอยากเกิดขึ้นที่ไรและความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นที่นั้นเพราะความอยากเนี่บีบคั้นใจของเราไปเรืเร่อยๆถ้าเรามีสติรู้ทันไปสี่เราจะเห็นเลยใจนี้เต็มไปด้วยปัญหานะตเต็มไปด้วยความอยากใจนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยอยากโน้อนอยากนี้อย่างโน้อนอย่างนี้นะแล้วจิตใจของเราเนี่ยแปรปรวนตลอดนทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้จริงหรอกเราคอยรู้สึกอยู่ที่ใจของเรานะเราจะเห็นเลยใจเราทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้ สุขก็สุขไม่นานนะแต่เราจะรู้สึกว่าสั้นตลอดอยู่แล้วนะความสุขอะความสุขมันจะสั้นเกินไปแต่เวลาทุกข์รู้สึกไหมทุกนานเกินไปความจริงทุกข์ก็ไม่นานนะทุกทางใจเนี่ยถ้าไม่คิดก็ไม่ทุกข์หรอกทุกเราคิดเนี่ยอย่างเราเป็นห่วงลูกเห็นไหมหลวงพ่อพูดคาว่าเป็นห่วงลูกเนี่ยบางคนเริ่มห่วงจริงๆนล้ว ออคิดถึงลูกปั๊บใจเศร้าหมองเลยหลายคนจะให้ชี้ตัวไหมนะใจเริ่มเหี่ยวไปเลยนะโอ้ลูกเรามันจะหนีโรงเรียนหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้นะมันจะไปติดยาไหมมันจะไปทําโน่นไหมมันจะไปทํานี้ไหมนะใจเราเนี้ยนะมันทุกข์อยู่ตลอดนะเนะี่ยคอยดูลงไปนะมันคิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์นะคิดแล้วก็ทุกข์ไปตรุงไปแต่ถ้าคิดดีแล้วมีความสุขถ้ามีความสุขเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันเองแล้วยาเห็นความสุขก็ดับไป ความสุขสั้นเกินไปเสียดายเสียดายความสุขนะความทุกข์เกิดขึ้นก็เกลียดมันความสุขเกิดขึ้นก็ชอบมันใจนี้เต็มไปด้วยความรักและความชังตลอดเวลาเดี๋ยวรักอันนี้เดี๋ยวเกลียดอันนี้เดี๋ยวรักอันนี้เดี๋ยวเกลียดอันนี้ถามอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เช้าเนี่ยรักกี่ครั้งเกลียดกี่ครั้งแล้วมีไหมอยากกี่ครั้งความอยากนั่นคือตัวรักนะความไม่อยากก็ตัวเกลียดเห็นไหมเกิดตลอดเวลาตลอดเวลาเล เกิดมาทีไรก็บีบคั้นใจของเราตลอดนะใจเราเนี่ยทนอยู่ในภาวะใดหนึ่งไม่ได้จริงนะอยู่ช่วคราวทั้งหมดเลยสุขก็สุขชั่วคราวทุกก็ทุกช่วคราวดีก็ดีชั่วคราวร้ายก็ร้ายช่วคราวเนี่ยเฝ้าดูลงไปเราจะเห็นว่าในใจเราเต็มไปด้วยของชั่วคราวนะจะเรียกว่าของชั่วก็ได้นะความสุขนี่ก็ชั่วนะเพราะมันน้อยไปนะความทุกข์ก็ชั่วมันเยอะไป งั้นเราคอยรู้ทันใจของเรานะอย่างรู้กายเราก็จะเห็นกายนี้เต็ไมไปด้วยความทุกข์ดูจิตใจสิมีแต่ความแปรปรวนตลอดเวลามีแต่ของบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้บางทีอุตส่าห์ไปนั่งสมาธิจนจิตสงบนะอพอออกจากสมาธิจิตฟุ้งซ่านอีกเลยเห็นไหมไม่มีความสุขจริงทางใจของเราเนะี่ยมันมีแต่ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาตามดูลงมาเรื่อยสิไม่เห็นจะสุขตรงไหนเลยนะเนี่ยเราหัดมีสตินะ รู้ที่กายก็จะเห็นนะกายนี้ก็ไม่เที่ยงนะกายนี้ก็เป็นทุกข์กายนี้ก็ไม่ใช่เรารู้ลงที่จิตก็จะเห็นจิตไม่เที่ยงจิตเป็นทุกข์จิตไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราหมายถึงบังคับไม่ได้ใครบังคับจิตได้บ้างไหนมีคนไหนบังคับจิตได้บ้างมีไหมใครบังคับจิตไม่ได้บ้างมีไหมนี่พวกเป็นกลางเยอะมากเลยนะพวกไม่ยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะ จิตนั้นเป็นของบังคับไม่ได้นะมันจะสุขสั่งให้สุขได้ไหมมันจะทุกข์ห้ามมันได้ไหมมันจะดีสั่งให้มันดีได้ไหมมันจะชั่วห้ามมันชั่วได้ไหมมันทําไม่ได้นะจะโลภจะโกรธจะหลงห้ามมันไม่ได้แค่ดูของจริงลงไปดูของจริงในกายดูของจริงในใจนะโอ้มันทุกข์ทั้งนั้นเลยนะทุกข์เพราะไม่เจี่ยงทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้ทุกข์เพราะบังคับไม่ได้ไม so ่เป็นไปตามใจอยากนี่เป็นท like ุกข์นานาชนิดที่เกิดขึ้น พอเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดปัญญามันเห็นความจริงเลยทั้งกายนี้ทั้งใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วนลวนไม่ใช่อย่างที่พวกเราเห็นตอนนี้เราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจาบใดที่ยังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างยังมีทางเลือกมันจะไม่ปล่อยวางหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเห็นความจริงแล้วมีแต่ทุกข์ล้วนล้นเนี่ยมันจะยอมปล่อยแล้วเพราะไม่รู้จะเอาไว้ทําไมมันทุกข์ทำไมครวาญ เวลาบรรลุพระอราหันต์ชอบตายตายเร็วสังเกตไหมในคำพีมีเยอะหลา ย, ลายองค์ความจริงท่านจะตายอยู่แล้วท่านถึงยอมปล่อยนะท่านใกล้จะตายเต็มบรรดาฮล้วโอ้เอาไว้ไม่ได้แล้วเลยยอมปล่อยวางเนะี่ยของเราเนะี่ยค่อยๆฝึกนะอย่าต้องอย่รอไปจนใกล้ตายแล้วค่อยปล่อยนะเรียนรู้ความจริงลงไปรืนะ กายนี้ทุกหรือกายนี้สุขเคยรู้ไปนะจิตนี้เป็นของเที่ยงไม่เที่ยงจิตนี้เป็นของบังคับได้ไหมจิตเนี่ยสุขจริงไหมนะดูลงไปอย่างนี้เรื่อยๆดูไปเรื่อยถึงวันหนึ่งนะมันเห็นความจริงเห็นไหมเข้าใจความจริงเห็นความจริงรู้ความจริงแล้วก็ล้างความเห็นผิดแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษนะหมดความยึดถือในกายในใจเมื่อไม่ยึดถือในกายในใจก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกนะ กายกระใจนี่เป็นสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดแล้วเพราะเรารักที่สุดแล้วมันคือตัวเราเรารักตัวเองมากที่สุดนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกระใจนั้นถ้ากายกระใจนี่เรารักเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่ามันนําความสุขมาให้มีตาก็ไปดูรูปสวยมีหูก็ไปฟังเสียงเพลาะได้มีจมูกก็ไปดมของหอมได้ลืมไปหนะ้าตามีตาก็ไปเห็นของน่าเกลียดได้มีจมูกก็ได้ของเหม็นด้วยใช่ไหมไม่ได้อย่างเดียวหรอก ในเฝ้ารู้ลงไปของหอมู็ไม่เที่ยงของเหม็นก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงนะตากรูปภายนอกก็ไม่เที่ยงนะดูไปเรื่อยดูไปมีแต่ไม่เที่ยงมีแต่เป็นทุกข์มีแต่บังคับไม่ได้เฝ้าดูลงไปอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะวันหนึ่งล้างความเห็นผิดไปกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่คิดไว้แต่เดิมแล้วนะไม่น่ารักเลยของไม่น่ารักคําว่าไม่น่ารักเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าอับปิยะคนไทยใช้คําว่าอัปรีนะคือคําว่าอัปิยะไม่น่ารัก แล้วจะเห็นเลยกายนี้ไม่น่ารักจริงอ่ะกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์พอมันเห็นว่าเป็นตัวทุกข์นะมันจะโยนทิ้งไม่ต้องอ้อนวอนให้มันปล่อยวางนะมันวางของมันเองจิตใจนี้ก็เหมือนกันนะเรารู้สึกว่าจิตใจแหมมาฟังเทศมีความสุขโอหลาล้ามีความสุขนะไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วะเนี่ยดูไปแปรปรวนตลอดเลยโอหารมนี้วิ่งมาวัดนี้หมดความสุขแล้วมามีความสุขประเดี๋ยวประดา เดี๋ยววิ่งไปเที่ยวที่นี่มีความสุขประเดี๋ยวกระดาวเขเบื่ออีกละเ น, นี่ยใจมันหมุนอย่างเงี้ยดูไปด้วยใจนี้ทุกทั้งนั้นเลยนะหาความสุขหาความสงบที่แท้จริงไม่ได้เลยมีแต่ความหิวโหยมีแต่ความทุรนทุรายตลอดเวลาดูลงไปดูลงไปเมื่อไหร่เห็นทุกขนะ์เมื่อนั้นจะเห็นธรรมแล้วจิตทิ้งจิตมันไม่เอานะที่จิตมันเอาเพราะมันรู้สึกว่าเป็นสุข เนี่ยพวกเราที่ยึดใจ ย, ยึดใจอยู่เพราะเห็นว่ามันนําความสุขมาให้ถ้าเมื่อไหร่ปัญญาเกิดเห็นว่ามันนําความทุกข์มาให้มันจะไม่ยึดมันจะไม่ยึดของมันเองไม่ต้องสั่งหรอกมันไม่ยึดเองเด็ดนะเหมือนสมมุติเราเดินเดินไปแหมมีแหวนเพชรอยู่วงเดินดูไปเรื่สะดุดก้อนหินะแหวนตกลงไปรีบตะครุบเลยกลัวคนอื่นมาตะครุบดิบขึ้นมาแหวนของฉันแง่มดูกลายเป็นชี้หมาเราจะทําอะไรเชยชม สวยงามมีไหมเราจะทิ้งอย่างรวดเร็วเลยไหมเพราะอะไรเราเห็นทุกเห็นโทษเมื่อะไรเห็นทุกเห็นโทษของกายของใจของรูปของนามก็จะไม่ยุดถือมันไม่ยุดเองนะไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานของมันเองเพราะมีปัญญาแก่รอบแล้วว่าเห็นแต่กองทุกนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปเห็นอย่างนี้ได้นะก็จะพ้นทุกข์ละเป็นพระอราหันต์องค์หนึ่งนะ แต่ตอนจะพ้นทุกข์ได้นะต้องมีปัญญาระดับต่ำกว่านี้หน่อยเห็นว่าตัวเราไม่มีก่อนรู้สึกลงมาในกายรู้สึกลงมาในใจจะเห็นในร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา <Tamam. S 1> ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความปรุงดีความปรุงร้ายเช่นความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ไม่ใช่ตัวเราเองตัวจิตเองเกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจเห็นอย่างนี้เกิดที่ไหนก็ดับที่นั้นสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นถ้าเห็นอย่างนี้นะจะเป็นพระโสดาบันได้เบื้องต้นก่อนงั้นเบื้องต้นเนี่ยดูลงไปให้เห็นก่อนนะรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจแยกกายออกส่วนหนึ่งแยกเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ออกไปส่วนหนึ่งแยกสังขารที่เป็นกุศลอกุศลออกไปส่วนหนึ่งแยกจิตออกมาอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดู ขันมันแยกออกไปแล้วเป็นส่วนๆนะขันแต่ละส่วนจะไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวเรามาแต่แรกละนะดูลงมาในกายไม่เห็นร่างกายมันอยู่ห่างๆตั้งกายไม่ใช่จิตนะร่างกายกับจิตเป็นคนละส่วนกันอยู่ห่างๆออกไปแล้ะกายนี่ห่างๆออกไปเวทนาความสุขทุกข์ก็อยู่ห่างๆออกไปกุศลอกุศลนั่นก็อยู่ห่างๆเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้าน submission. ไม่ใช่ตัวเราละนะจิตก็เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหมุนเวียนไปด้วยนี่เฝ้าดูอย่างนี้นะถึงวันหนึ่งก็จะเห็นเลยว่า ทุกสิ่งในกายในใจของเรานะนั่นแต่ไม่เที่ยงคือมีแล้วก็ไม่มีทุกใใสิ่งในกายของเราในใจของเราเนีทนอยู่ไม่ได้คือมันมีแล้วไม่มีมันไม่เที่ยงนะเพราะมันไม่เที่ยงมันเลยเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ไม่ได้นานมันอยู่ได้ชั่วคราวเพราะมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั Finally, ้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนหมายถึงว่าไม่ใช่ตัวตนถาวรไม่มีอัตตาตัวตนถาวรพวกเราตอนนี้เราไม่เห็นจิตเกิดดับ เราจะรู้สึกว่าเรามีจิตอยู่คนหนึ่งนะหรือมีตัวเราอยู่คนหนึง่งจิตของเราหรือตัวเราคนนี้กับตอนเด็กๆเกนี่ยเป็นคนเดิมใครรู้สึกว่าเราตอนเด็กๆ ก, กับเราเดี๋ยวนี้เป็นคนเดียวกันรู้สึกไหมจริงๆต้องยอมรับนะว่ารู้สึกตราบใดที่เป็นปุถุชนอยู่จะรู้สึกเห็นหรอกว่าร่างกายนี่ไม่ใช่คนเดิมแต่จะรู้สึกว่าจิตนี้เป็นคนเดิมเพราะเราไม่เคยเห็นความเกิดดับของจิตนะเมื่เราหัดรู้สึกนะหัดรู้ทันจิตไปเรืยเลย จิตเป็นสุขเกิดขึ้นมาแล้วดับจิตเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วก็ดับจิตฟุ้งซ่านเกิดแล้วดับจิตโหดผูกเกิดแล้วดับดูลงไปด้วยนะดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดจิตที่ไปดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปคิดเกิดแล้วก็ดับเนี้ยดูอย่างเนี้ยซ้ําแล้วซ้ําอีกไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันรู้เลยจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตที่สุขเกิดแล้วดับเนี้ย จิตที่ทุกเกิดก็ดับจิตที่เป็นกุศลจิต ท, ที่เป็นอกุศลเกิดแล้ดับทั้งสิ้นสิ่งใดที่เกิดแล้วก็ดับไปสิ่งใดที่เกิดแล้วก็ดับไปแสดงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนถาวรแลไม่อมตะาการที่เราเห็นว่าจิตเองก็เกิดดับเนี่ยจะเห็นแลว่าไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าตัวเราถาวรความรู้สึกเป็นตัวเราเกิดขึ้นมาชั่วคราวแวบๆเวลาหลงไปคิดเท่านั้นเองพอเจริญสติจเจริญปัญญามากเข้ามากเข้าเห็นว่าตัวเราไม่มีนี่ได้ปัญญาขั้นต้นนะ ปัญญาขั้นต้นแล้วตัวเราไม่มีก่อนจะได้ปัญญาขั้นต้นเนี่ยแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามไปนะดูกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งสังขารอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเขาแยกอย่างนี้นะหัดแยกไปเรื้วยทำแยกแล้วมันจะเห็นว่าแต่ละส่วนไม่ใช่เราแล้วตัดจากนั้นก็ดูไปเรื่อยจะเห็นเลยทุกอันนั้นเป็นตัวทุกข์หมดเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วพนะอเห็นตัวทุกข์อย่างแ่มแจ้งทิ้งเองสละทิ้งเลยเขารู้ทุกข์แกมแจ้งเนี่ยความอยาก จะไม่เกิดอีกต่อไปแล้วสมุทยัยจะถูกละอัตโนมัตินะถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้งสมุทยัยจะถูกละอัตโนมัติคือ <c oughs> ถ้าเมื่อไหร่มันเห็นว่ากายนี้ใจนี้ทุกล้วนล้วนความอยากจะไม่มีอีกแล้วความอยากทั้งหลายแหล่นะประมวลย่อๆเร า, ามาก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็มันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่สุขอ่ะจะอยากทําไมมันก็ไม่อยากละจะอยากให้มันพ้นทุกข์ทำไมมันเป็นตัวทุกข์มันมันพ้นทุกข์ไม่ได้มันก็หมดความอยากนะ รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะจะละสมุทัยอัตโนมัตินะเพราะสมุทัยคือความอยากไม่มีจิตใจจะหมดความดิ้นรนทันทีนะตัณหาคือตัวสมุทัยคือตัวความอยากเนี่ยเป็นเป็นเหตุให้จิตปรุงแต่งให้จิตทํางานจิตสร้างพบสร้างชาติจิตดิ้นรนนั้นถ้าเมื่อไหร่ตัณหาดับไปเพราะเราเห็นทุกข์แจ่มแจ้งตัณหาไม่เกิดอีกแล้วความดิ้นรนของจิตก็ไม่มีอีกจิตที่พ้นความปรุงแต่งพ้นกิเลสพ้นความดิ้นรน จิตตรงนั้นจะเห็นนิพพานจิตดวงนั้นจะเห็นนิพพานเห็นนิโรธจะแจ่มแจ้งในนิโรธสรุปก็คือถ้าเมื่อไร่รู้ทุกแจ่มแจ้งนะก็จะละสมุทยัยคือจะไม่เกิดความอยากใดๆขึ้นอีกแนละ้วความอยากไม่เกิดแล้วใจก็จะสงบใจก็จะสันติแจ้งนิโรธขึ้นมาเห็นนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าตาอตาไม่เคยหายไปไหนมีความสุขทั้งวันมีความสุขอยู่ทั้งคืนนะแต่จิตกับ น, นิพพานเป็นคนละอันกันนะจิตไม่ใช่นิพพานนะนิพพานไม่ใช่จิต จิตไม่เที่ยงนะจิตเป็นทุกข์น ะ, ะจิตเป็นอนัตตาแต่นิพพานเป็นอนัตตานะอนัตตาเหมือนกันแต่เทียเท่ยงนิพพานเที่ยงนิพพานเป็นสุขแต่นิพพานก็เป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของนิพพานไม่มีเจ้าของจิตกับ น, นิพพานเป็นโคลนกันเพีย hmm> งแต่ว่าจิตที่พ้นกิเลสพ้นตัณหาไปนั้นมันไปนแจ้งพระนิพพานงั้นสัตรูของเราคือกิเลสทั้งหลายนะสู้มัน ตั้งแต่มีศีลสู้กิเลสหยาบหยาบมีสติรู้จิตตัวเองไว้กิเลสครอบงำจิตไม่ได้จะมีศีลมีนิวรณ์ฟุง้งซ่านใดๆเกิดขึ้นในจิตในใจมีสติรู้ทันไว้จิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นพอจิตสงบจิตตั้งมั่นแล้วค่อยดูกายมันทํางานคอยดูใจมันทํางานร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะใจอยู่ส่วนหนึ่งนะความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลอยู่ส่วนหนึ่งเนี่แยกออกไปอีกแล้วจะเห็นเลยแ ต, ลแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนที่เราเรียกว่าขันนะั่นเอง แต่ละขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราแต่ละขันไม่มีตัวตนถาวร น, นะอย่างนี้ได้เป็นพระโสดาบันดูลงไปอีกแต่ละขันแต่ละขันนั้นะมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะแล้วก็ไม่ใช่ของเรานะดูลงอย่างนี้นะเห็นไตร ล, ลักษณ์แจ้งใช่ไหมก็จะหมดความยึดถือในขันเมื่อไรหมดความยึดถือขันก็นจะเป็นพระอรหันต์นะชีวิตที่เหลือเป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดเลย ไม่รู้ว่าอะไรจะเหมือนนครูบาอาจารย์หลวงพ่อบางองนะไปหาท่านนะไปถึงแนละท่านพิการเลยนะตอนนั้นอย่างหลวงปู่สุวัตหนะลวงปู่สุวัตนะพิการนั่งบนรถเข็นนะไปไปอยู่กับท่านแนละ้ท่านมาโอ้สุกแท้นาะสุขแท้นาะเราดูท่านสุขได้ไงนาะท่านไม่สบายขนาดนั้นนะหรือครูบาอาจารย์นหะลวงปู่สิมหลวงพ่อไปเลิกศิลป์หลวงปู่สิมมาทางนี้ต้องไปหาหลวงปู่สิม ว่ดูท่านมีความสุขจังเลยใครเห็นหลวงปู่ศินมีความทุกข์มั้งทุกกายมีนะแต่ทุกใจไม่มีเห็นไหมจิตที่ฝึกดีแล้วนะนําความสุขมาให้นะเพราะนันพวกเราฝึกจิตฝึกใจของเรามีสติรู้ท่านจิตไปเรื่อยๆนะจะเกิดทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาปัญญาเบื้องต้นเห็นว่าตัวเราไม่มีปัญญาเบื้องปลายเห็นว่ามีแต่ทุกข์นะก็ปล่อยวางแล้วก็พ้นทุกข์ไป เนี่ยตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางนะขาดสติไม่ได้สักอย่างเดียวเลยสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อรู้สึกตัวไปรู้สึกกายรู้สึกใจน ะ, อะพอสมควรเนี่เขาให้เทศชั่วโมงหนึ่งเทศได้ขาดไปอีกสีน่นาทีห้าสิบวินาทีเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะมีถามกี่คนครับเชิญท่านแรกเลยครับมีกี่ท่านนะหลวงพ่อจะได้กะเวลาทั้งหมดสิบท่านครับ สิบเหรอสิบห้าท่าน <15. S 2> ครับสิบห้าอ้อางว่ามาเอาท่านที่หนึ่งวัวนะเดี๋ยวเรนภรัต่กราบณัสการ <c oughs> ท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงโยมได้จิตตามฟังได้จิตติดตามศึกษาจากหนังสือของท่านอาจารย์เกือบจะทุกเล่มนะคะฟังซีดีเกือบจะทุกแผ่นแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคําสอนของท่านอาจารย์แต่ว่ามีความสงสัยอยู่นิดหนึ่งคือว่า การปฏิบัติเนี่ยโยมใช้วิธีกายเคลื่อนไหวใจตามรู้นะคะแล้วก็โยมเป็นคนขี้เกียจนั่งสมาธิค่ะก็ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิเวลาต้องการสมาธิสักทีก็จะถอดหายใจแล้วลืดๆแล้วก็สี่หครั้งแล้วก็ <ừ> เกิดสมาธิแล้ว <ừ> ท่านอาจารย์คิดว่ามีอะไรจะแนะนําโยมอีกต่อไปไหมคะเวลาที่เรารู้สึกกายรู้สึกใจนะจิตต้องอยู่ต่างหาก จิตต้องตั้งมั่นนะไม่ใช่ดูร่างกายแล้วจิตเราไหลไปนแนบอยู่ที่กายนะถ้าดูอย่างสมมติเราเห็นร่างกายหายใจอยู่างี้จิตเราไหลไปอยู่ที่ร่างกายเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นนะเพรา ะ, ะนั้นต้องค่อยๆฝึกจนจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันจะรู้สึกเหมือนร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งโดยไม่ได้ประคองไม่ได้รักษาไว้นะถ้าประคองรักษาไว้จิตยังอึดอัดอยู่นะจิตที่เป็นกุศลแท้ๆเนี่ยจะโปร่งโล่งเบาถ้าอึดอัดมาก็ยังไม่ดี พระอาจารย์หมายถึงว่าให้จิตตามรู้เหรอคะไม่เวลาจิตไปรู้ไกานะอย่างร่างกายเดินเนี่ยมันจะเห็นเหมือนเห็นคนอื่นเดินนะมันจะเห็นเหมือนเห็นคนอื่นเดินเลยเนี่ยโยบยักหน้านะมันจะเห็นเหมือนคนอื่นพยักหน้าไม่ใช่เรายักหน้านะเนี่ยรู้สึกไหมจิตมันถอนออกมาแล้วจะ ต, ต้องอยู่อย่างนี้น ะ, อ, ะ อ, อย่างตะกี้ไม่ได้หรอกตะกี้จิตมันแนบลงไปในกายแล้วจิตแนบลงไปในกายนะมันเหมือนเรายืนอยู่บนบกอะอยู่ริมแม่น้ําปิงเนาะ เห็นกระทงรลอยมานี่สวยเนี่ชอบนะโดดลงไปเผื่อมีสตังค์โดดซุบลงไปในน้ำลอยไปกักระทงอย่างนี้ไม่ได้จิตเราไหลลงไปแนบแนวลมจิตเราต้องอยู่บนบกนะเห็นสิ่งต่างๆไหลามาไหลไปไหลามาไไปเร า, ย า, ยายอยู่บนบกนะอย่าให้จิตถลำลงไปในกาย <Okay. S 2> นะของโ <Okay. S 2> ยมจุดที่มีปัญหาอยู่คือจิตมันชอบถลำลงที่กาย <Okay. S 2> ไม่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะฝึกตัวนี้ให้มาก okay. ต้องพยายามแก้ตรงนี้นะคะให้รู้ทันจิตที่ถลาลงไปมันจะถอนขึ้นเองอย่างพอบอกโยมปุ๊บโยมหลุดออกมาแล้ว <ทะ S 1> นึกออก <ทะ S 1> ไหมกราบขอพระคุณค่ะ ท, ะท่านที่สองกราบนมำรสการพระอาจารย์ประโมทที่เคารพอย่างสูงโยมได้ฟังซีดีของพระอาจารย์มานานประมาณสามปีกว่าค่ะก็ได้ตามดู ดูจิตส่วนมากจะมักจะเป็นการดูจิตค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นคนวิตกจริตค่ะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการดูกายแต่เมื่อกี้ที่คุณอาจารย์บดดาถามก็พอจะเข้าใจในวันนี้ค่ะและตอนนี้มันมันมันจะแบบเดียวกันนะเวลาเราดูกายนะมันเหมือนจิตเราอยู่นี่นละ้ให้กายทำงานไปกระทั่งเวลาดูจิตนะคนดูอยู่ตหาหั เห็นก <bushes> ิเลสอยู่ต่างหากเนี่ยคนดูอยู่ต่างหากเห็นสุขเห็นทุกข์กอยู่ต่างหากนะอย่าแยกขันธ์ออกไปใจก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งนะแล้ใครดูไปไม่มีอะไรคงที่เลยกระทั่งตัวจิตก็ไม่คงที่อย่าตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมเดี๋ยวจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดนะฝึกเรื่อยๆเราไงอีกโหยมตื่นเต้นอ่ะโยมเลยไปเพ่งจะนิ่งเลยนะ ไม่ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นอะไรเ ป, เป็นเป็นวันที่รอคอยมานาน <c oughs> อยากจะมาพบนี่แหละปล่อยอย่างเนี้ยนะ<า>ปล่อยอย่างเนี้ยแล้วแค่รู้สึกแค่รู้สึกแค่นี้เองนะ<า>ไม่ใช่เพ่งจ้องไว้นิ่งๆรอดูอย่างนี้ไม่ถูก<ช>หลักของการดูจิตเนี่ยต้องดูถูกในสามกาละสามการก่อนดูนะอย่าอยากดูแล้วถลำลงไปรอดูไปดักไว้ระหว่างดูอย่าอยากรู้ให้ชัด ถ้าอยากรู้ให้ชั้นจะกระโดดลงไปเพ่งนะรู้แล้วไม่แทรกแสงนะอย่าหลงยินดียินร้ายถ้าหลงยินดียินร้ายจะเข้าไปแทรกแสงเช่นเห็นกิเลสก็หาทางแก้เห็นกุศลหาทางรักษางนั้นก่อนจะดูเนี่ยอย่าดักดูให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอานะระหว่างดูก็อย่าอยากรู้ให้ชัดถลําลงไปเพ่งนะพอเห็นแล้วสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นแล้วจิตยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันนะจิตจะเป็นกลาง ในที่สุดเราจะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางะตัวนี้ตัวสําคัญนะถ้าไม่เป็นกลางจิตจะปรุงต่อตอนนี้จิตแอบไปคิดทราบไหมเจ้าค่ะเออปล่อยซิยังเพ่งอยู่หน่อยนึงเพราะตื่นเต้นนึกออกไหมยิ้มทีหนึ่งยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานเลยเนี่ยตรงเนี้คลายออกละรู้สึกไหมเจ้าค่ะเ อ, อแล้วรู้สึกตัวไปเอาเชิญท่านที่สามตามนำ้ำมัศกาลหลวงพ่อครับพอดี ช่วงนี้คือเคยมีโอกาสส่งกันบ้านหลงข้อครั้งที่แล้วเมื่อปีที่แล้วครับแล้วก็ก็ฟังซีดีมาแล้วก็พอดีช่วงนี้ป่วยก็เลยมีโอกาสแบบว่าดูจิตดูใจมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ทราบว่าที่ทําอยู่นี่คือแบบว่ามันจะรู้สึกกายชัดกว่าแล้วก็จะรู้สึกจิตแต่จะรู้สึกแค่แวบแหวบไม่จําเป็นว่าทุกคนต้องดูจิตนะครับดูจิตไม่ใช่โซลูชันแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังน้นดูกายชัดดูกายไปเห็นกายนี้เคลื่อนไหว ใ, หใจเป็นคนดูตอนนี้ใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหมตัวเนี้ยดูไม่ออกค่ะตั้งเกต็งไหมมันคล้ายๆใจเราโปร่ปงๆโลง่ลงๆไปอยู่นอกๆกว้างๆออกไปนะมันไม่ยอมมาดูทุกขนะ์ละมันหนีทุกข์นะอย่าง ก, กายนี้เป็นทุกข์มากนะมันไม่ค่อยจะยอมดูใจมันจะกระจายหนีออกไปยายอมหนีนะพยายามทวนกลับเข้ามารู้สึกกายดูที่กายนี้มีแต่ทุกข์ล้นล้นเลยพยายามดูอย่างเนี้ยดูด้วยใจที่เข้มแข็งนะ ดูไปเรื่อยหลวงพ่อครับแล้วแบบว่าเวลาดูมันจะดูแบบแค่แวบๆ แ, แล้วผมก็จะแบบว่าไม่ดูเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดดูไปนานๆมันจะเหมือนว่าเราไปเพ่งอยู่แบบว่ารอดูอารมณ์งไงครับเออราดูไม่ได้นะรู้ทีละแว บ, บแล้วก็รู้สึกเอาแล้วก็อยากให้หลวงพ่อช่วยดูรูกายไปสินะจิต น, นิสัยหมอที่จะรู้กายเราก็รู้กายไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไหมร่างกายพยักหน้าร่างกายพยักหน้าใจเป็นคนดู เราจะเห็นร่างกายนี้พยักหน้าเหมือนเราเห็นคนอื่นพยักหน้าไม่ใช่เราพยักหน้าแ่ละตอนนี้ใจแอบไปคิดทราบไหมดูออกไหมดูคิดไม่ออกดูกายไปนะนณะที่ดูกายก็ดูกกลครับอ่ะต่อไปนมัสการท่านอาจารย์ประโมส์พระโบโชนะครับผมได้รับหนังสือของท่านสมัยท่านเป็นเถรวาดอยู่นะครับเป็น มีมุดแล้วก็มีญาติมีหลานก็ส่งมาให้อีกนะครับเป็นวิมุตติปฏิปทาซึ่งในนั้นก็เขียนบอกแก่ผู้มีบุญนะครับเขียนบอกว่ามีบุญคนได้อ่านนะคือผู้มีบุญแล้วก็ขอให้พิจารณาด้วยสตินะครับซึ่งผมก็เข้าใจบ้างนะครับแล้วก็เล่มสุดท้ายที่ผมได้ก็คือทางเอกนะครับ เมื่อผมอ่านก็เข้าใจบ้างนะครับแล้วก็ปฏิบัติแต่เมื่อสักต้นปีนี้ได้ซีดีนะครับของหลวงพ่อนะครับซึ่งงานศพของคุณแม่ผมเพื่อนน้องสาวมาบอกให้และผมไม่ได้ไม่ได้นะผมก็ไปยืมของเพื่อนแล้วก็มาเปิดก็เข้าใจดีกว่านะฮะอ่านหนังสือเพราะอ่านแนละ้วมันง่วงมันก็หลับนะฮะ เมื่อฟังนั่งรถฟังก็เข้าใจ <ừ. S 1> นะฮะแพอมาสักสองเดือนเนี่ยเพื่อนชื่อสุเบนจาก็บอกผมว่าหลวงพ่อจะมาเทศชีเชียงใหม่นะก็ขอผมตอนนั้นผมเอ่อผมเคยเป็นอาจารย์ที่แม่โจ้มันก็ดูแลเรื่องห้องประชุมนะฮะก็อบอกว่าอยากจะขอห้องประชุมเพราะว่าที่มจไม่ว่างผมก็มันมีห้องเล็กมันบางสารร้อยก็บอกไม่พอ ห้องใหญ่ก็ประมาณหมื่นนะฮะก็ใหญ่ไปนะครับแล้วก็อยู่ไกลซึ่งผมก็ขออนุญาตอธิการเรียบร้อยท่านจะบอกใหก้เราก็มาบอกว่าที่พุทธสถานเนี่ยเป็นที่พอดีพอ ด, พอดีอยู่ใจกลางเมืองนะแต่ว่าที่จอดรถมันยากหน่อยแล้ว ก, ก็ก็มาจัดอยู่ตรงนี้แล้วผมได้มาเป็นสตาฟนนะครับโดยที่ไม่รู้จักจัด ยาติทำเลยนะครับนุ ม, มาประชุมกันวางแผนในการเตรียมการครั้งนี้อย่างอย่างแบบย่าดีครับทุกคนมีจิตอาสาที่จะมาช่วยซึ่งผมก็มีกิเลส น, นะครับแทนชาวเชียงใหม่นะครับว่าอยากจะขอนิ่นท่านอาจารย์มาเชียงใหม่บ่อยๆนะครับเพราะว่าพวกผมเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไปที่ชนบุรีนะครับไปก็ลําบากนะครับ Boy, นอกจาก <boy. S 2> บางท่านนะครับก็เลยอยากจ ะ, อะขอเมตตาจากอาจารย์ว่าถ้ามีโอกาสมีเวลาก็กรุณาเด <c oughs> ็กนวกก่อโทษนะครับท <c oughs> ี่ลูกของใครร้ <Rangers> องเอาว่าไงโยมครับแล้วก็พอดี <c oughs> คุณสุบเบนจาเนก็ให้ทีดีผมนะครับผมก็ประเอว่าผมเป็นหัวหน้าฐานีวิทยุมกมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ษษที่เชียงใหม่ผมก็เลยขอเจ้าหน้าที่ได้ถอดเทปของท่านนะครับแล้วก็ออกอากาศอาตอนเช้านะครับซึ่งผมก็มองว่าอย่างที่ผมได้รับมาเนี่ยผมก็มีความสุขผมก็อยากจะให้ผู้ฟังได้มีความสุขนยนะครับก็ปรากฏว่ามีคนมาขออัดเทปนะฮะ บ, บอกขอ อัดซี ด, ดีของท่านเนี่ยจากจากที่ฟังเนี่ยครับผมบอกว่าเคยฟังมาก่อนหรือเปล่าก็บอกไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกที่ฟังแล้วก็ง่ายดีเข้าใจดี mm hmm. ก็ผมเลยเลยมีกิเลสเลย ว, ว่าอยากจะขอท่านพระอาจารย์เนี่ยได้กรุณาเมตตาคนเชียงใหม่ได้ท่ามีเวลาก็ขอให้มาเทศที่เชียงใหม่บ่อยๆนะครับเอารายการเทศที่เชียงใหม่ครั้งต่อไปเร็วๆนี้เองนะ สามสิบเอ็ดมกลาสองห้าห้าสี่พอดีพอดีคือระหว่างนี้พวกเราภาวนานะถึงคราวหน้าที่มาเจอกันเราควรจะดีกว่านี้ตอนนี้คนที่ฟังสีดีหลวงพ่อหรือฟังธรรมนะมาเจอตัวหรือไม่เจอตัวก็ตามแต่ละคนเห็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง คนที่เข้าใจธรรมะขึ้นมานะรู้จักมีสติขึ้นมารู้จักใจของตัวเองขึ้นมาเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงนะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเราเองนะไม่ใช่ต้องมีใครมาชักชวนโฆษณาเลยนะว่าดีอย่างว่ า, านี้นะอดทนนิดนึงเถออดทนฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดหน่อยฟังยากนิดหนึ่งยอมรับว่าว่ายาก ที่ยากเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยเราคุ้นเคยแต่ว่าการปฏิบัติทําให้ทําอย่างนั้นการปฏิบัติทําให้ทําอย่างนี้เราไม่คุ้นเคยที่จะให้มีสติรู้สึกกายรู้สึกใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะแค่เราหัดฝึกไปนะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วเลยใช้คําว่ารวดเร็วนะเคยทุกข์มากๆ ก, ก็ทุกข์น้อยเลยเห็นชัดๆเลยนะอะเชิญท่านต่อไปครับมีไหมอยู่ที่ไหนล่ะ กลับมาส ก, การหลวงพ่อค่ะอยากถามหลวงพ่อสองข้อค่ะข้อที่หนึ่งนี่ลูกจะปฏิบัติอย่างไรให้ตรงกับจริตของตนเองแล้วก็ข้อที่สองจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรตามนั้นให้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้ค่ะขั้แรกเลยน ะ, จะเจริญเมตตาบ่อยๆเราเป็นคนขี้โมโหนะ งั้นเราจะเลืเมตตาไปเรื่อยใจเราจะร่มเย็นขึ้นมาพนะยายามดูคนอื่นนะรู้สึกเขาน่าสงสารน่า <c oughs> เห็นใจอะไรเงี้ยมองด้วยสายตาที่เป็นมิตรไหมถ้าใจเราสงบใจเราร่มเย็นขึ้นมานะแล้วก็มามีสติคอยดูจิตใจของเราต่อไปนะแล้วก็ร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกนะเช่นไปกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ย <c oughs> เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเราก็ดูไปใจเราเป็นแค่คนดูเราจะรู้สึกเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวอ ย, อยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะฝึกอย่างนี้บ่อยๆ ไปทำความสงบนะ้าด้วยการเจริญเมตตานะหลัดจากนั้นเนี่ยดูกายที่ทำงานไปเรื่อยๆนะแล้วด้วยใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาไปฝึก อ, อย่างนี้นะคะคนต่อไปกราบนมำพรานหลวงพ่อนะคะอันนี้เต็มเปกนะไม่ไมีโอกาสฟังรสีองหลวงพ่อประมาณสี่เดือนมาแล้วนะค ะ, ะและ้วก็พยายามให้จะปรับพี่จะเข้ามาใช้กับตัวเองนะคะะตัวเองเป็นคนที่มี มองหาเยอะมากแล้วก็โทสะเยอะด้วยนะคะตรง น, นี้ก็คือพยายามที่จะรู้สึกตัวพอพอรู้ตัวปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปเกาะเลยแล้วก็รู้สึกว่ากดตัวเองแล้วก็จะจ<ห>ุกันั่นนออกให้รู้ทันให้รู้ทันว่าเข้าไปเกาะอยู่ไปกดอยู่อยากจะให้พ้นออกมารู้ว่าอยากนะรู้ลองปัจจุบันรู้ทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางไปด้วยนะทำไมถึงเข้าไปเกาะเพราะอยากรู้ให้ชัด นันให้รู้ทันใจที่อยากนะพอความอยากดับไปมันก็ไม่เข้าไปกเกาะค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะต่อไปอก้าพเจ้ารร็สาริบุชาอย่างยิดกระผมได้ฟังดีของท่านจิตมันมีปิติจิตมีปิติให้รู้ทันว่ามันมีปิตินะให้รู้ลงปัจจุบันไปถ้าเรารู้ไม่ทันนะปิติก็ครอบงาจิตได้ นึกออกไหมครับผมเออนะรูล้ลงไปซื่อๆเลยจิตมีปีติในนะอ่าอ่าฟังดีๆแล้วก็อ่านหนังสือของของท่านมาประมาณหนึ่งปีก็เตดดือนไม่ทราบอาการดูหรือการปฏิบัติของผมนี้ถูกบ้างไหมครับถูกสินะต่อไปนี้ไม่ว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่ใจนะรู้ลูกเดียวเลยแล้วถ้าความรู้สึกอ น, นันครอบงาจิตได้เราก็รู้ทันว่ามันครอบงานะไม่จะห่างออกไปเองไม่เข้ามาครอบงาจิต อย่าไปผลักมันนะอย่าไปเกลียดมันนะอะไรเกิดขึ้นให้รู้อะไรเกิดขึ้นให้รู้สิ่งที่ต้องลดลงก็คือการบังคับจิตให้นิ่งาการบังคับตัวเองให้ลดลงนะตัวเนี้ขวางการเดินปัญญาดนั้นเราอย่าไปบังคับกายอย่าไปบังคับใจเราทําได้แค่รู้กายรู้ใจไปอย่างที่เขาเป็นไม่ไปบังคับการที่เราบังคับเนี่ยเพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ความอยากมานันนะําหน้าไปนะให้รู้ทันลงไปเลย อย่างตอนเนี้มันตื่นเต้นใช่ไหมก็ตื่นเต้นเราก็อยากให้มันไม่ตื่นเต้นเราก็ไปข่มไว้ไปบังคับเนี่ยมันมีความอยากเข้ า, ข า, ขาไปบังคับนะรู้ไปอย่างที่เขาเป็นรู้ด้วยใจที่เป็นกลางนะอย่างตอนนี้ใจไหลไปคิดทราบไหมเนะนี่ยเราคอยรู้นะสิ่งที่ต้องลดลงไปคือการเพง่เพงให้นิ่งตอนไม่เจอหลวงพ่อเพ่งแบบนี้ไหมไม่เพง่งเออไม่เพ่งใช้ได้นะ <laughs> ถ้าเพ่งอยู่นี้ทั้งวันนราตายเหนื่อยนะเนี่ยรู้ไปอย่างนี้ อย่างที่ทํานี้แหละนะนะรู้สึกไปแล้วถึงเวลาไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทําได้ต้องทํานะการทําในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมนี่จะทําให้จิตมีพลังจิตจะตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นนะถ้าไม่ทําเลยมัฟุง้งภาวนาลําบากครับครับขอบคุณครับะคนต่อไป ค่ะตอนนี้ก็มีเหมือนมันกดกๆไว้นิดหน่อยอะคะ่ะเพราะว่าตื่นเต้นไหมเข้ามาใกล้อก็มันตื่นเต้นไหมหรือตื่นเต้นยังต้อง <laughs> ต้องพูดให้คนอื่นได้ยินก็ตื่นเต้นแบบไม่รู้ทำไมมันเข้ามาใกล้พี่เขาก็ตื่นเต้นแล้วเนะะี่ยค่ะยังดีนะไม่วิ่งหนีไปค่ะ <laughs> ก็ไม่มีอย่างอื่ น, นะคะ่ะก็ดูไปตามปกติแต่ว่าบางทีมันจะ รู้สึกแบบถ้าแรงๆถึงจะรู้อะไรอย่างเงี้ยค <ๆ S 2> ่ะใหม่ๆเป็นอย่างนั้นใหม่ๆนะต้องความรู้สึกที่แรงก่อนถึงจะรู้แล้วกช่วยมันนะหาวิหารธรรมไว้อันหนึ่งให้จิตอยู่คือหาบ้านให้จิตอยู่นะอาจจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับการรู้ท้องฟองยุบอะไรก็ได้นะอะไรสักอย่างหนึ่งจะอยู่กับการขยับมือทําจังหวะแบบหลวงพ่อเทียนก็ได้นะ เพราะก็อย่างสมมติเราอยู่กับพุทโธพุทโธแล้วอยู่กับลมหายใจพอจิตหนีไปจากลมหายใจเราก็รู้ทันหนีจากพุทโธเรารู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจเพ่งจิตให้นิ่งเราก็รู้ทันะหาเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปพุทโธพุทโธจิตหนีไปเรารู้พุทโธพุทโธจิตหนีไปเรารู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆสติจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะค่ะแตมันมีแบบเวลาที่เรารู้สึกว่า เราจะปฏิบัติอะไรอย่างนี้ยค่ะมันจะมีความตั้งใจแรงมากให้รู้ทันนะแล้วมันจะเข้ามาแบบเออมันจะเพอึดอัดเข้ามานะคะนั่นโลภะเกิดให้เรารู้ทันว่าใจมันอยากแล้วถ้ารู้ทันต้นทางคือความอยากนะความอยากครอบงําจิตไม่ได้ก็ไม่เพ่งหรอกเนี่ยของคุณที่พิ่งส่งกันบ้านน่ะรู้สึกไหมเข้าไปเพ่งอีกแล้วอย่าไปเพ่งไลยที่อึดอัดอ้าวไม่ส่งไป ยิ่งไม่ห่างไปนะคนที่ตัวแข็งก็จะครับนะมรดการหลวลงพ่อเจ้าค่ะคงไม่มีใครไม่ตื่นเต้นถ้าต้องได้พูดกับหลวงพ่อเจ้าค่ะเอางั้นเหรอโยมโยมจะส่งกันบ้านเจ้าค่ะคือการปฏิบัติของโยมนี่การดูกายนี่ก็จะรู้สึกว่ า, เ, าเริ่มมองเห็นว่าเป็นการเคลื่อนไหวของผู้อื่นเริ่มมองดูการเคลื่อนไหวค่ะแต่ว่าถ้าการดูจิตนี่โยมจะรู้สึกว่าช้าแล้วก็ไม่ละเอียด อยากจะฝ่อตับจิตแม่ากของพ่อดูกายไพสิตนะแต่ว่าจิตเป็นคนดูนะบางทีจิตก็หลงลืมกายนึกออกไหมบางทีก็ไม่ได้ดูบางทีก็กลับมาดูบางทีก็หนีไปที่อื่นเดี๋ยวนี้นานไปเราก็รู้ทันจิตด้วยเพราะจิตหนีจากกายเราก็รู้ปั๊บนะเราจะรู้จิตไปด้วยในที่สุดมันจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตการปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นมีสายใดสายหนึ่งนะแต่เบื้องปลายไม่มีสายใดสายหนึ่งแล้วเรารู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตแล้ว ไม่ต้องเถียงกันเลยว่าสายไหนดีกว่าสายไหนใช้ไม่ได้เหมือนกันแหละใช้ไม่ได้คือเพีงเพ่งกายก็ใช้ไม่ได้นะเพ่งจิตก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเรารู้กายอย่างร่างกายเคลื่อนไหวใจไปคนดูเห็นไหมมีกายกับใจนะหรือว่าจิตเราตาเราเมอเห็นทันี้จิตเราเปลี่ยนหูได้ยินเสียงอันนี้จิตเราเปลี่ยนนะก็อาศัยกายอาศัยจิตนดูไปอย่างนี้นะในที่สุดมันก็รู้ทันทั้งกายรู้ทันทั้งจิต ค่ะการดูจิตนี่ถ้าเป็นถ้าตั้งใจนี่จะเป็นการเพ่งไห่เจ้าค่ะใช่เพ่จิตเลยเพ่งจิตก็ใช้ไม่ได้นะเพ่งกายก็ใช้ไม่ได้เพ่งจิตก็ใช้ไม่ได้ค่ะแค่รู้สึกกายรู้สึกจิตรู้สึกหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าอันแรกรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจไม่ใช่ลืมมันค่ะอันที่สองร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอะไรมันเป็นไตรลักษณ์ไม่เป็นอย่างอื่นหรอก เจ้าค่ะนะแล้วก็ตามรู้ไปใจฟุ้งซ่านดูกไหมเจ้าค่ะเออรู้ทันใจฟุ้งซ่านนะ้วาที่โยมปฏิบัติอยู่นี้ถูกทางแล้วใช่ไหมถูกสิแต่ว่าลดโลภะลงนะโลภะแรงไปเจ้าค่ะนะขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบมาณสการหลวงพ่อค่ะดิฉันก็ได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อมาประมาณปีกว่าเช่นกันนะคะก็ ขณะนี้ก็ยอมรับว่าพอจะถามท่านก็เกิดใจเต้นแรงมากนะคะโ อ, อ, อ้ถ้างั้นหลวงพ่อถามโยมพล้วกันค่ะโยมฟังมาปีกว่าได้ <c oughs> อะไรบ้างเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมกเ็เคยศึกษาด้านนี้มาพอสมควร น, นะเจ้าคะ่ะก็เวลาที่จะถามหลวงพ่อคือขณะที่สติเกิดทางทวารใดทวารหนึ่งหรือว่าดูจิตตัวเองแล้ว ก็ต่อเนื่องไปทางอื่นเนี่ยทําให้คิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือยังหรือว่าเรายังไปติดอยู่ในสมาธิอยากจะถามเรียนพ่อหมายถึงยั<อ>งไงหมายถึงไงคือ<ง>ขณะที่สติเกิดแล้วรู้ความโกรธหรือความตื่นเส้นแล้วเนี่ยแล้วก็จะไปเลื่อนทางกลิ่นทางใจมันคนละวิถีกันนะจิตขึ้นวิถีมารับรู้อารมณ์อันนี้แล้วก็กลงรวังนิดนึงแล้วขึ้นวิถีใหม่มันเปลี่ยนทวารไปแล้ว อันนี้ไม่ไม่ไม่ถือว่าไม่ผิดไม่ผิดนะจ๊ะค่ะเป็นปกตินะเพียงแต่ว่ามีสติตามดูมันไปค่ะคือกลัวว่าจะเอ๊ะเราติดอยู่ในสมาธิหรือเปล่าเป็นการอะไรคะสังเกตตรงนี้ถ้าจิตสมาติดสมาธิน่าใจก็นิ่งๆทื่อๆนะค่ะเอออย่างนั้นไม่ดีถ้าใจเราปลอดโปร่งโล่งเบาคล่องแคล่วว่องไวอยู่ก็ใช้ได้ค่ะนะแต่อย่างตอนเนี้ยมันมันเพ่งเพราะว่าตื่นเต้นเท่านั้นเองแหละนะเขาไม่ตื่นเต้นก็ไม่เพ่งเท่านี้ค่ะครับ อขอพระคุณหลวงพ่อค่ะเชิญท่านต่อไปครับกับนักกการะธนจันท ร, ร์ที่เคารพอย่างสูงครับครับผมได้ฟังซีดีของอาจารย์มาประมาณห้าหเดือนแล้วก็ได้ลองปฏิบัติดูนะครับไม่ทราบว่าที่ผมปฏิบัติมานั้นถูกต้องหรือยังหรือวัดตัวเองได้นะเราวัดตัวเองการปฏิบัติเนี่ยก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าเนี่ยวินยูชนรู้ได้ด้วยตนเองเราไม่จําเป็นต้องถามนะสังเกตเอา อย่างเราไม่เคยมีศีลเรามีศีลไหมจิตเราฟุ้งตลอดเวลาสงบขึ้นมาบ้างไหมเราไม่เคยรู้สึกกายไม่เคยรู้สึกใจได้รู้สึกกายรู้สึกใจไหมถ้าเคยรู้สึกแล้วรู้สึกได้บ่อยขึ้นไหมรู้สึกเป็นกลางมากขึ้นไหมนี่เราวัดได้นะของคุณลนะ่ะตอบหลวงพ่อซิวัดแล้วเป็นยังไงวัแล้วรู้สึกกายรู้สึกใจมากขึ้นไว้ทุกข์นะถูกต้องแต่ขณะนี้เพ่งอยู่นิดหน่อยนะตื่นเต้น อีกข้อหนึ่งจะเรียนถามว่าผมควรจะมีวิหารธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปอย่างไรครับก็ถ้าทําความสงบนะก็จะเจริญเมตตาบ้างนะแล้วก็ถ้าจ ะ, จะเจริญปัญญาไปเนี่ยของคุณดูกายที่เคลื่อนไหวแล้วพาจิตมันไปคิดเนี้ยรู้ทันเรานะเนี่ยเห็นร่างกายไปยักหน้าไหมครับเห็นร่างกายไหวนะแล้วจิตไปคิดแป๊บรู้ทันแว๊บรู้ทันท น, นะดูทั้งกายดูทั้งจิตแหลนะ ก็จริตนิสัยมันไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าทางใดทางหนึ่งมันมีทั้งสองทางนะค ร, ครับครั บ, รบขอบคุณครับกับนมาสการหลวงพ่อคะ่ะคือจะขอเดี๋ยว น, นะ<อ>แป๊ดหนึ่งคนที่เพิ่งส่งการบ้านเสร็จจิตหนีไปไหนเอ้ให้รู้ทันนะใช้ได้ะจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อคะว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกแล้วหองถูกแล้วละ่ะ นะไปดูบ่อยๆนะอย่าขี้เกียจ น, นะงูแ<ะ> ห, ห้งขี้เกียจไปนิดนึงนะไปติดไปค้องอะไรหรือเปล่าอค่ะือ<ะ>ติดไปติดอะไรหรือเปล่าไม่ติดแต่ว่าแรงมันน้อยไปต้องทําสม่ําเสมอ น, น, นะออรู้สึกไหมไม่ค่อยมีแรงนะใช่ค่ะใช่สิไม่หลอกหรอกเพราะฉะนั้นทำสม่ําเสมอ น, น, นะทุกวันทุกวั น, วนไหว้พระสวดมนต์ดูจิตดูใจมันทํางานนะต่อไปใจจะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้น อย่าไปกดอย่างนั้นไม่เอาอย่างนั้นไปเพ่งไว้นะปล่อยไหค่ะนะอ่ะท่านต่อไปกราบนำ้ำรสการหลวงพ่อค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาส่งกันบ้านแล้วก็มาพบหลวงพ่อค่ะเลยนะเลยนะขอเวลา น, นอกนิดนึงคุณเสื้อเหลืองรู้สึกไหมเพ่งอยู่กดอยู่นะตรงนี้ถ้ากดจนเคยชินแบบเผลอเพลอแล้วก็ยังกดเนี้ยแสดงว่าปิดเพ่งอะ่ะนะ ต้องค่อยๆแก้ตัวนี้ให้ตกนะอย่าเพง่งถ้าเพ่งนาะกายก็นิ่งจิตก็นิ่งถ้ากายนิ่งจิตนิ่งแล้วมันจ ะ, สะแสดงใจรักได้ยังไงนะมันนิ่งไปหมดดูมันเคลื่อนไหวไปอย่าไปเพง่งนะอ้าเชิญโยมผู้หญิงได้ฟังซีดีมาประมาณปีเศษแล้วก็ได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อหลายเล่มคะ่ะแล้วก็ตามรู้ตามดูช่วงแรกที่ดูก็จะเห็นกิเลส ต, ตัวเองเยอะมาก เยอะมากจนไม่คิดว่าตัวเองจะฟุ้งซานได้เยอะขนาดนี้ดีนะดีแล้วคือช่วงแรกคิดว่าตัวเองคงเงียบเงียบเนี่ยค่ะพอเห็นแล้วโอ้โหฟุ้งซ่านก็มาครบเลยค่ะทั้งโลภโทสะโมหะเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ช่วงแรกนี่ดูได้แบบดูดูคล่องนะคะแต่พอมาช่วงหลังเมือม่อเมื่อต้นปีเนี่ยตอนกลางคืนเวลานอน ตื่นขึ้นมากลางดึกนี่จะเห็นเห็นตัวเอร่างกายตัวเองนอนอยู่แล้วเหมือนมีมีมีคนดูมองเห็นแล้วอะไรสักอย่างหมุนหมุนอยู่ตรงกลางอกก็ไม่ทราบอะไรนั่นแหละความปรุงแต่งมันปรุงทั้งวันปรุงทั้งคืนนะแต่เห็นแป๊บเดียวไม่กี่วินาทีค่ะแล้วแล้วก็มันก็เหมือนวิ่งมันรวมกันแล้วก็แล้วก็หายหายไปแต่แรกเราค่อยฝึกไปเรื่อยมันจะแยกออกมาแยกเป็นส่วนส่วน ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะสังขารที่ปรุงเนี่ยอีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่ตสหะเวลาเขาแยกก็ช่างเขาแยกก็ดีเวลาเขาไหลไปรวมรู้ว่ไหลไปรวมอย่ายากแยกถ้าอยากให้แยกออกนะมันจะไม่ยอมแยกอีกเลยค่ะอยากเห็นอีก <c oughs> นั่นแหละมันอยากความอยากมันบังไว้หมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนเออเอ อ, เ อ, อ ด, ด, ดูไม่ค่อยหละไม่ไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่มาเป็นหลายเดือนนะฮะมันมันเหมือนไม่จิตเหมือนอย่างนี้เลยจิตเหมือนตอนนี้ไหม ต อ, ตอนนั้นไม่ใช่ค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งคือใช่ไอ้ที่ว่าเออเออหลายเดือนอ่ะไมนไม่ใช่ค่ะตอนนี้ช่วงระยะนี้จะไวขึ้นค่ะแต่มีอยู่เวล า, ลาที่มันยังมีเขาของความเออเหลืออยู่นะราฉะนั้นโยมพยายามรู้สึกร่างกายให้ชัดขึ้ น, นะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวกระตุ้นความรู้สึกตัวให้มันคมชัดกว่านี้นิดนึง ความรู้สึกตัวมันอ่อนไปใช่ค่ะช่วงนี้มันเหมือนไม่เหมือนตอนแรกเลยค่ะไม่ทราบว่าติดอะไรอยู่อ่ะต้องไปทําในรูปแบบบ้างนะะ <c oughs> บริการพุโทโธหรือจะไปเดินจงกรมอะไรเงี้ยแล้วก็รู้กายรู้ใจเนืองๆแล้วถ้าจิตมันอ่อนแรงอ้อยๆ อ, อ้อยยิงอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ให้รู้ทันลงมาเลยให้รู้ทันจิตที่อ่อนแอนะ <c oughs> กระตุ้นความรู้สึกให้คมชัดขึ้นนะทํ <c oughs> าความรู้สึกตัวให้แรงขึ้นหนย่นะมันมันปล่อยวางเร็วไปครับปล่อย ใช่ค่ะช่วงหลังมาเหมือนมันเหน่อยเหนื่อยมันไม่เหม้มันเหนื่อยไปนะอย่าปล่อยให้เหนื่อยไม่ดีเป็นกิเลสนะค่ะแต่มาถูกทางแล้วนะเอาเอาถูกนะเกรงใจจังเลยตอนนี้ดีกว่าตะกี้แล้วรู้สึกไหมเออต้องอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะถูกแม่างเมื่อกี้จะให้บอกว่าถูกแล้วเก่งใจมากเลยเนี่ยต้องอย่างนี้ถึงจะถูกรู้สึกไหมมันไม่ได้เป็นอย่างตะกี้ไม่เหนื่อยค่ะ อ่ะหมดได้อยังมีอีกไหมได้กี่คนแล้วเราพ่อก็ลืมไปเมื่อวันจันเทศภูพิงนะเก็บอกมีสิบคนแต่เราก็ถามไปเรื่อยเราก็ลืมนะมันไปสระ บ, บุรีมาเขก็มีไม่กี่คนนะที่นั่งรออยู่เสร็จแล้วก็ยกกันทั้งห้องเลยแต่วันนี้ไม่ได้วันนี้เดี๋ยวต้องไปรีบไปขึ้นเรือบินอ่ะพิธีาการธ่านาจารยโมทครับก็มผมได้ ฟังธรรมะของท่านอาจารย์มาประมาณสองเดือนเศษซึ่งก่อนหน้านี้ที่ฟังจากไกลๆวิทยุของสถานีของวัดท่าพรสุเทพพอฟังก็รู้สึกว่าธรรมะของท่านอาจารย์จะถูกจริตในปากไปทราบก็ไปคนในเว็บไซต์เอาแค่เล็กๆไปอัดในเว็บไซต์มาได้มาประมาณ3าม้วนก็ไม่เปิดฟังท่านอาจารย์สอนในนั้นว่าวิธีการจเจริญ ภาวนานั้นก็คือการทำกรรมาฐานกับวิปัสสนาเดิมนั้นจิตก็ภาวนาพุ้โธอยู่ก็เริ่มแยกแยะว่าด้านอาจารย์สอนให้ดูกายกับจิตยากครับยากมากแล้วก็ดูเหมือนจะทำได้แต่ตัวรู้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าด้วยว่าเกิด ความสงสัยว่าเอ๊ะการเจริญอย่างนี้ที่จิตมันรู้มันเป็นปัญญาหรือตัวรู้เกิดสภาวะสับสนวุ่นวายในจิตว่าตอบคำถามไม่ได้ว่าใช่ถูกทางไหมกลัวจะเดินผิดทางที่ท่านอาจารย์ได้ให้ไว้จากเทปเล็กๆสาม้วนที่ให้ไว้เปิดซีดีไม่มีหรอกครับแต่ฐานเดิมนั้นภาวนาพุทโธอยู่ก็ภาวนาไวอืมก็ภาวนาไปจิตก็พยายามดูกายดูจิตดูกายก็คิดว่า สิ่งที่เห็นว่ากายกําลังเคลื่อนไหวนี่มันดูใช่ไหมพอดูจิตจิตจะมีอารมณ์ของโทสะโมหะโลภะเข้ามาก็ถามว่าอันนี้จิตมันดูเข้ามันดูหรือเปล่าเอางี้สิโยมง่ายๆตมาเองแะก่อนฝึกมานะตั้งแต่พื้นฐานเลยก็หายใจเข้าพูดออกโทนี่แหละนะฝึกพุโทโธมาตั้งแต่แรกเลยเรียนจากท่านพอลีตั้งแต่ปีศูนย์สฝึกมาไม่เคยเลิกนะนั่นเราเวลาฝึกพุโทโธเนี่ยพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธแล้วก็รู้ทันจิตไป พุทโธแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธหรือว่าจิตลงไปแล้วเดี๋ยวมาพุทโธอีกพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดอีกรู้อีกพุทโธไปพุทโธไปจิตซึมๆอย่างตอนนี้จิตน้อมไปหาความซึมแล้วอย่าน้อมไปแบบนี้นะพุทโธไปด้วยความรู้สึกตัวพุทโธพุทโธพุทโธจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวจะเข้าใจเองแต่พอมันเกิดความรับรู้ขึ้นมาแล้วมันเกิดสงสัยว่าเอ๊ะที่รู้นี่รู้จริงหรือรู้ไม่จริงเี่ รู้ลงปัจจุบันอีกทีหนึ่งว่าจิตกําลังสงสัยอยู่นะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยถ้าเอาปัจจุบันไว้จะไม่พลาดหรอกถ้าทิ้งปัจจุบันแล้วก็พลาดแน่ๆเลยนะขอมาสการก็เมตตาท่านอาจารย์แนะนําวิธีปฏิบัติก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตซึมๆนิ่งๆหรือว่าจิตนิ่งๆพุทโธไปจิตหลงไปคิดรู้ว่าจิตหลงไปคิดเอาพุทโธเป็นวิหารธรรมแล้วรู้ทันจิตไปนะ ครูบาอาจารย์จำนวนมากเลยในใสายครูบาอาจารย์หลวงปู่มันนะ่นสอนโยมเนี่ยท่านสอนพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตเอานะอย่างครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะคือท่านอาจารย์บุญจันทร์อยู่ชายประการนะําผาพึ่งองค์นี้เก่งมากเลยเวลาสอนพุทโธ ท, ท่านไม่ได้สอนพุทโธเฉยๆท่านสอนพุทโธใจรู้พุทโธ ร, รู้ใจเห็นไหมพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพุทโธแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไป นะไปฝึกพุโทโธแล้วรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆนะถ้าสงสัยขึ้นมาก็รู้อีกใจกำลังสงสัยนี่นหละพุโทโธแล้วรู้ทันใจฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะเชิญ <c oughs> ท่านตอบไปการมัสการค่ะคือตอนนี้มันมีความไม่พอใจที่หัวใจมันเต้นแรงอะคะ่ะเดี๋ยวไปว่ามันหลวงพ่อเดี๋ยวมันหยุดไปช่อยบอกเ<ป>ทคนิคให้มัน <c oughs> มันเต้นก็ดีแล้วอ่ะมันแรงเกินไปเห็นไหมอยากให้มันเต้นแค่นี้มันก็ว่าแรงไปใช่ไหมถ้าอยากอย่างนี้ก็ว่ามันเต้นอ่อนไปความอยากของเราไปแทรกแซงมันไม่ได้นะให้รู้ทันใจของเราไปใจอยากครัวอยากนะน้องไงตอนที่นั่งฟังหลวงพ่อเมื่อกี้ค่ะใจมันส่งออกนอกบ่อยมากธรรมดามันต้องออกนอกอ่ะ สติก็ไม่ค่อยเกิดค่ะเคยไปที่ปฏิบัติเดยชื่อนะเดี๋ยวปฏิบัติว่าไปเคย ป, <ไ> ป, ปฏิบัติที่วัดหลวงพ่อครับเ่อสองปีที่แล้องั้นเอ่ยได้เนื่องาไปปฏิบัติวัดโนนวัดนี้แล้วจะมาว่าวัดเขาไม่ได้นะค่ะแต่และที่เขาก็ดีของเขาแหละแล้วงไงะอนนั้นตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าให้หนูดูจิตไปเลยเพราะว่าคิดเยอะคิดเยอะเกินนะคะสังเกตความเปลี่ยนแปลงออกไหม ตอนนัน้นกระเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันดูออกไหมสังเกตไหมจิตสงบเปิดแต่ก่อนดูเห็นบ้างเปล่ามันไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างค่ะดีที่รู้ทันเนี่ยนะนะถ้าถ้ามันหลงไปคิดนะมันไปทั้งวันเลยไม่เคยเห็นเลยว่ามันไปตอนนี้มันไปเรารู้ว่ามันไปใช้ได้นะรู้บ่อยๆออหนูกิเลสทางโทสะเยอะอคะ่ะไม่เห็นเป็นไรเลย <c oughs> โทส ะ, ะดูง่าย นะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะนะจิตจิตที่ไปรู้โทสะนั้นไม่มีโทสะแล้วก็เห็นจิตที่มีโทสะอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเกิดจิตไม่มีโทสนะนะไม่มีโทสะประเดี๋ยวเดียวไปพิชิตใหม่โทสะเกิดอีกแล้วแล้วก็รู้ว่าจิตที่ไม่มีโทสะดับไปแล้วเกิดจิตมีโทสะขึ้นมาแทนอพอรู้ทันอีกก็ดับอีกค่ะส่วนมากจะเห็นแต่ตอนที่โทสะเกิดอะค่ะมันดับไม่ลงคืออย่างเช่นหนูทํางานอ่า ทำร้านยาค่ะอืมเวลามีลูกค้ามาแล้วอธิบายแล้วเขาไม่รู้เรื่องอแล้วเราก็เราก็คิดว่าเราอธิบายง่ายแล้วอะค่ะอืมก็เกิดความโกรธคิดก็รู้แล้วว่ามันมีลักษณะแบบเนี้ยเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ดับอ่ะค่ะก็คือมันไม่ดับก่อนพูดอืม๋อมันพูดเร็วไปมันมันพูดแบบกดโกรธไปแล้ว<อ>นะคะทีหลังพูดให้ช้าลงหน่อยคนโบราณเขาสอนให้นับหนึ่งถึงสิบไง พูดให้ช้าลงนิดหนึ่งให้มีดีเลย์ไทม์ก่อนนะแล้วก็รู้ทันจิตที่โกรธไปความโกรธก็ไม่เที่ยงอยู่ไม่นานก็ต้องดับเหมือนกันเช่นเดียวกับสภาวะอย่างอื่นนั่นแหละเราภาวนาไม่ใช่เพื่อเอาดีนะแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าความดีหรือจิตที่ดีนะเกิดแล้วก็ดับความชั่วหรือจิตที่ชั่วนะเกิดแล้วก็ดับภาวนาเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะไปดับความโกรธ นะอย่าตั้งเป้าผิดนะไม่ใช่ภาวนาเพื่อดับความโกรธข อ, อข อ, อีกนิดนึงค่ะฟุ้งซ่านด้วยค่ะหลวงพ่อค่ะธรรมดาเออหนูต้องทําสมถะก่อน ท, นะทางที่ดีนะบริกรรมไปเรื่อยๆพุโทโธได้ก็พุโทโธไปนะพุโทโธพุทโธไปแล้วจิตแอบไปคิดรู้ทันเนี่ยถ้ารู้ไม่ทันนะมันก็ฟุ้งไปนานถ้ารู้ทันมันก็สงบพอจิตสงบแล้วก็ไม่ไปเพ่งให้ซึมกระทืออยู่นะจิตซึมรู้ว่าซึมอีก จิตจะถอนตัวออกมา น, นิดหนึ่งเป็นปกติเป็นธรรมดาสมถะหมายความว่าคือการนั่งสมาธิะะไม่จําเป็นต้องนั่งก็ได้ขายยาไปลูกค้ายังไม่มาก็พุโทโธไปเอาพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปนะใจลอยไปแล้วเขรู้ทันเป็นร้านยาของตัวเองหรือเปล่าล่ะของตัวเองค่ะไม่อย่าเป็นโมโหลูกค้านะมันความโกรธมักจะหายไปตอนที่ลูกค้าออกไปแล้วค่ะเว้นิเดี๋ยวมันไม่มาอีกอ่ะ ทำตัวให้เป็นนางกวักหน่อยเวลาที่โกรธก็คือหนูก็ยิ้มอยู่แหละแต่ว่าคําพูดเนี่ยรู้ตัวแล้วว่ามันมันปรับนะหลับนเล็กน้อยปรับรัๆซะหน่อยนะเออจะได้ดึงดูดลูกค้าเข้าร้านเวลาที่อีกนิดเดียวค่ะคือเวลาที่นั่งเงียบๆนะคะบางทีมันเห็นอเช่นเออ่เห็นสภาพที่มันเกิดขึ้นในใจมันเคลื่อนเคลื่อนเฉยๆเงค่ะเออน่าดูห่างๆนะอยากไหลตามมันไป ทำตัวเป็นแค่คนดูดูอยู่ห่างๆนะอย่าให้ใจไหลาตามมันไปดูอย่างนี้ได้อยๆอย่างตอนเนี้ยใจไหลามาที่หลวงพ่อแล้วรู้สึกไหมเออให้รู้ทันเพิ่งรู้ค่ะฮะเพิ่งรู้ตอนอ๋อเพิ่งรู้เมื่อบอกอยังดีบางคนบอกแล้วยังไม่รู้เลยนะหลวงพ่อมีอะไรแนะนำหลวงพ่อแม่ไปตั้งเยอะแล้วไปทําต่อจำไว้นะพูดให้ช้าลงพูดพลอๆไว้นะอ้าวต่อไปต้องประกอบด้วยเมตตานะ อย่างบางคนเขาฟังเราเราก็ว่าเขาน่าจะรู้เรื่องแล้วถ้าเขารู้เรื่องเท่าเราเขาเก่งเท่าเราสิกาบนามสการพระหลวงพ่อคะ่ะโยมติดสมถะมา20ปีคะ่ะหลวงพ่อติด22เนี่ยแล้วก็5ปีผ่านมานี่เริ่มพิจารณาธาตุค่ะได้ปีปี47นี้เริ่มเห็นกายกับจิตยแยกกัน อ, อานนั้นแต่ว่าไม่ได้ทําทุกไม่ได้ทําตลอดวันเขาไม่ทราบว่าต้องทําตลอดวันไม่ไสมถะไม่ทิ้งนะอสมถะเราก็ทําเพื่อให้ใจมีแรงใจิตใจมีแรงมันจะเห็นเลยรทั้งกายทั้งใจอะไรมันแยกออกไปหมดนะขันมันแยกออกไปถ้าขันไม่แยกตัวออกจากกันเนี่ยมันขึ้นมิปัสนาจริงจริงไม่ได้นะตอนนี้ใช้ได้นะไม่ใช่ไม่ดีพอปีปีห้าศูนย์ค่ะนั่งสมาธิอยู่แล้ว ได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จิตจะรวมแบบไม่คิดอะไรเลยอะค่ะไม่คิดอะไรเลยก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงทําไมไม่คิดก็เลยถามเข้าไปในจิตว่าทํายังไงดีแล้วเขาบอกมาว่าให้ดูจิตอืค่ะแล้วหนูก็ดูดูดูไปก็ดูยังไงหนูก็เถียงไปเถียงหม่าสุดท้ายก็เกิดสภาวะว่ามันจะรู้เป็นรู้ขึ้นมานิดเดียวแล้วก็ดับนิดเดียวแล้วก็ดับนั่นแหละดูหลังนั่นแหะนูก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะค่ะแล้วก็ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรถูกต้องแล้ว <ฮะ S 1> ถ้ารู้ว่าเป็นอะไรคือยังมีสมมุติบัญญัติอยู่นะในภาวะที่ละเอียดเข้าไปจริงๆเห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่รู้ว่าคืออะไรถูกต้องแล้ ว, แ ล, วแล้วจากนั้นจากนั้นมาหนูก็ดูคือไม่รู้ว่าต้องดูจิตทั้งวันนะคะก็ทํางานไปทั้งวันเนี่ยส่วนมากก็จะกว่าจะได้นั่งสมาธิก็เที่ยงคืนตีหนึ่งหันอยู่ในชีวิตประจําวันได้ทํางานอะไรล่ะทํางานที่ใช้ร่างกายหรือใช้จิตใจต้องคิดไหม ทั้งสองคะนะ่ะลถ้าทํางานที่ต้องคิดเนี่ยดูจิตไม่ได้นะดูกายก็ไม่ได้ก็ต้องไปคิดแต่ว่าพอมีเวลาเหลือสักนิดนิดหน่อยหน่อยนะคอยรู้สึกกายรู้สึกจิตไปเห็นกายทํางานเห็นจิตทํางานไปนะรู้สึกไปบ่อยๆที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะแล้วก็พออีกสองปีหัดมานี่หนูก็มันมันนานนา น, นานค่ะกว่าจะกว่าจิตต้องทาใ<ล>นระูปนะแบบไปด้วยนะไม่งั้นมันจะหลงนาน ถึงบอกว่าทุกวันต้องซ้อมเนี่ยไว้พระสวดมนต์ทําสมาธิเดินจงกรมต้องทํานะไม่ใช่ไม่ทําบางคนคิดจะเจริญสติในชีวิตประจําวันอย่างเดียวเนะี่ยไม่ทําในรูปแบบไม่ทําสมถะมันจะหลงยาวงั้นทุกวันแบ่งเวลาไว้นะอย่างน้อยสิบนาทีไว้พระสวดมนต์ทําสมาธิเดินจงกรมเวลาทําสมาธิก็นั่งดูร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูเวลาเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนฝะึกไปเรื่อยเรื่อยคอยรู้สึกตัวรู้สึกตัวได้ ต่อไปมันจะหลงสั้นหลงสั้นหลงช่วงแรกจะติดนั่งค่ะแล้วก็ช่วงหลังนั่งไม่ได้นั่งแล้วหลับเเอปลไก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเดินจงกรมพอเปลี่ยนมาเดินจงกรมมันแรกเอชั่วโมงแรกนี่จะคิดตลอดคิดจนจนโมโหตัวเองว่าคิดอะไรนั่งหลงละหลงละค่ะอรู้สึกแล้วก็พอชั่วโมงที่สองไม่คิดเลยค่ะอไม่คิดยังไงก็ไม่คิดหนูก็เลยถามไปในจิตแล้วจะให้ทํายังไงเนี่ยชั่วโมงนไปสิดเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่า ไม่ต้องทําอะไรให้ดูสภาวะที่มันไม่ปรุงแต่งเนี่ยดูไปเรื่อยๆหลงละหลงละนะคะอ้านะพ่อค่ะคุยยาวไม่ได้นะของคุณถ้าคุยยาวเดี๋ยวหลงนานอ่แต่ช่วงหลังนี้่อพอเดือนปีนี้ค่ะเพิ่มขึ้นมาเจอหนังสือหลวงพ่อเลเซได้ฟังซีดีมาเดือนนึงเนี่ค่ะแล้วก็เริ่มเห็นว่ากายนี่มันไม่ใช่ตัวของเราใช่ง่ายไม่ใช่เราหรอกเห็นเป็นก้อนเป็นก้อนเห็นไหมความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เรา เห็นไหมกุศลอกุศลก็ไม่ใช่เราเห็นไหมจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเห็นไหมมีแต่ของไม่เที่ยงนะดูลงไปอย่างนี้เรื่ที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วล่ะไปทับต่อเอาตรงข้อคะอีกนี่นะคะวันก่อนดูทีวีนะคะแล้วก็ปกติเราเห็นคนนี้ชื่อนี้เราจะเห็นมันรวมกันเป็นหนเดียวกันนะคะแล้วก็มีมีอยู่แวบหนึ่งมันจะมองเห็นว่ากายเขาก็เป็นกายอยู่ตรงนี้แล้วก็ชื่อก็เป็นอีกตังหาเออหน้าชื่อเป็นสมมติบัญญัติ สิ่งที่เรามองเห็นนี่เรียกว่ารูปชื่อของเขานั้นเป็นสมมุติบัญญัติคนละอนกันแต่ไม่ได้คิดเองใช่ไหมเออไม่คิดเองจิตตั้งมั่นขึ้นมาเราก็เห็นแล้วต่อไปก็ต้องทํำยังไงจะทําอย่างนี้แหละดูไปได้วนะแต่ทําในรูปแบบด้วยนะไม่ใช่ไม่ทําหมดยังได้กี่คนละเอาสามสี่คนครับก็แล้วแต่หลวงพ่อพิตาครับอะไรนะหรืออีกประมาณสามสี่คนเอาย่อยๆนะอย่าเล่าพงศวรรษาน ค่ะกาดนมัสการหลวงพ่อคะ่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่มีโอกาสไม่ต้องสุ้ทรพจน์ไม่เอาค่ะ <c oughs> ลูกพยายามปฏิบัติตามรูปแบบพยายามจะปฏิบัติทุกวันนะคะ เ, เวลาลูกนั่งสมาธิเนี่ยก็พอเข้าถึงพอนั่งปุ๊บตัวเองจะเห็นจิตของตัวเองนี่แยกออกมาเป็นขาวและดำแล้วก็จะ ก, ก็จะตามรู้ก็จะรู้รู้อะค่ะสังเก่ไห้คนที่รู้ไม่ขาวไม่ดา ไอ้ที่ขาวที่ดําไม่ใช่จิตหร อ, อกจิตคือคนไปรู้มันเข้า <Okay. S 2> นะเพราะฉั้นสิ่งทั้งหลายถูกรู้เนี่ยไม่ใช่จิตหร อ, อกจิตเป็นคนรู้นะเฝ้า mm hmm. ดูทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลาง mm hmm. เห็นสิอย่างนี้ใจอย่างนี้รู้ทันเห็นอย่างนี้ใจเป็นอย่างนี้รู้ทันนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆ <Okay. S 2> ต่อไปฝึกด้วยความเป็นกลาง <Okay. S 2> ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตยินดียินร้ายขึ้นมาคอยรู้ทัน <Okay. S 2> นะฝึกอย่างนี้บ่อยๆค okay. พอหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั่งสมาธิก็จะเห็นสภาวะธรรมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จะพยายามตามรู้นะคะแล้วก็กลับมาเดินจงกรมแต่ปัญหาคือขณะที่เดินจงกรมเนี่ยถ้าจิตฟุ้งซ่านก็จะรู้ว่าฟุง้งก็จะกลับมาดูกายพอหลังจะดูกายไปสักพักก็จะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับจะง่วงมาก เ, เพราะก็จะพยายามฝืนฝืนเพื่อที่จะให้ตัวจะตั้งเวลาเอาไว้ให้จบ ปฏิบัติอย่างนี้ถูกไหมคะหลวงพอ่อถูกนะแต่อย่าฝืนเยอะพยายามรู้สึกตัวนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึ ก, แ, ก, ากาแต่บางช่วงมันง่วงจริงๆนะ<ม>ก็ช่างมันก็เดินไปงั้นแหละนะบางบา ง, บางช่วงของการปฏิบัติจะเป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> คือจิตมันเบือ่อจิตมันเบือเบ่อสตาวาทั้งหลายมากเลยมันน้อมเข้าไปเหมือนจะงง่วงจะหลับตลอดเลยนะ <c oughs> ให้รู้สึกเอาแล้ ว, ลวปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องไหมถูกทนทนไปนะ แต่อย่าให้ซึมนะจิตตอนนี้ซึมเกินไปค่ะอ้าคนต่อไปค่ะเร็วเรวทักกันม <ไป S 1> ันคือเรือบินบไม่ทันเคยไปเคยไปหาหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตติสมถะนะครับก็เลย<ด>อยากถามว่าตอนนี้ดีขึ้นหรือยังแล้วดีขึ้นแล้วครับปฏิบัติอยู่เนี่ยดูกายดูใจอ่ะนะครับแล้วที่ดูเนี่ยถูกต้องไหมทําถูกแล้วครับดูบ่อยๆนะครับเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกอย่างเมื่อกี้อยากส่งใหม่แล้วเห็นไหมแล้วก็รู้ทันอ้าวต่อไป การนัสการหลวงพ่อครับผมผมฝึกดูจิตดูนี่บางครั้งนี่เห็นโทสะโมหะเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปบางครั้งมันก็โชกบางครั้งมันก็เหนื่อยๆหน่อยก็ดับแล้วก็บางทีก็จะไหลออกไปบางครั้งก็ไม่รู้อะไรไหลออกไปแล้วก็ดับอย่าดึงก็แล้นเห็นมันไหลออกไปแล้วก็ดับไปก็ถูกแล้วครับผมผมอยากถามหลวงพ่อสติตัวจริงผมเกิดอลไยังครับ เปล่งใจอย่างลยพยายามรู้สึกไปเรื่อยนะครับผมมันเกิดได้มันก็ยังดับได้อีกมันไม่เที่ยงหรอกนะสึกเอานะอย่าท้อถอยนะครับเนี่ยเห็นไหมร่างกายที่ครับครับเนี่ยเราลืมมันใช่ครับรู้สึกนะรู้สึกกายบ่อยบ่อยดูกายบ่อยๆ่นะเพราะจิตมันมีโมหะเยอะอยู่ครับรู้สึกกายไปอ่ะคนสุดท้ายใช่ไหม มาศ ก, การครับหลวงพ่อ <ừ> จริงๆผมลุ้นสองผลแล้วครับ<ะ>คือผมเป็นคนสุดท้ายครับที่จะได้ถามลวงพ่อนะครับอตอนแรกก็ลุ้นว่าจะได้ถามไหมครับ <ừ> จะถามลวงพ่อให้รับสั้นที่สุดนะครับเไวไวไวคือเริ่มต้นว่าการปฏิบัติของผมเนี่ยเมื่อก่อนนี้จะเน้นทางวัดป่า จนเมื่อปี51ที่ผ่านไปเนี่ยเกิดคุณพ่อเสียชีวิตกะทันหันแล้วเกิดมีความรู้สึกท้อในธรรมมากอืจนคิดว่ามันก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วเพราะว่าคนในครอบครัวเสียเพิ่มขึ้นตั้งสามคนในเวลาไล่เรียกกันอือความทุกข์ครั้งนั้นมันทําให้ผมแทบจะไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาบางเอินที่ผมได้เจ้านายที่ดีมากท่านได้ให้เทปหลวงพ่อมาฟังแล้วก็ไล่ซื้อซีดีให้อีก ผมไม่อยากจะฟังตรงนั้นซื้อเครื่องซื้อเครื่องเลยค่ะทั้งเครื่องทั้งแผ่นเลยครั่อพูดไม่เหมือนที่คิดเอ่ะแล้วทีนี้แล้วทีนี้ผมก็เลยมาลองฟังดูพอฟังผมก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อเนะนำพยายามดูจิตพยายามที่จะรักษาจิตของตัวเองไม่ให้ส่งออกนอกเหมือนกับเคยอ่านของหลวงปู่ด้วยหลไปแล้วนะหลงไปแล้วครับพยายามรู้สึกตัวที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่จิตไม่ตั้งมั่นจริง รู้สึกไหมจิตมันกระจายออกข้างนอกถ้าจิตกระจายออกข้างนอกอย่างนี้มันจะมีแต่ความสุขมันจะสบายแล้วเพลินเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะทวนกลับเข้ามาดูกายมีแต่ทุกข์นะดูจิตมันทำงานไม่ท้อถอยถนะไม่งั้นมันจะมันจะเพลินเลินเบาๆาสบายสบายอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตังนี้จะติดความสุขนะกลับมารู้สึกกายบ่อยๆนะ หลวงพ่อครับแล้วมันเกิดสภาวะอย่างหนึง่งผมก็เฝ้าดูบางครั้งมันก็เหมือนกับที่หลวงพ่อเล่าในในซีดีนะครับแต่ว่ามันมีคราวหนึ่งซึ่งมันแปลกมากแล้วสภาวะจิตอันนี้มันยังคลองจิตผมอยู่คือตอนนั้นผมกําลังเฝาลูกนอนแล้วก็รู้สึกขึ้นว่าทําจิตอะไรต้องให้เปลี่ยนการจิตมันพูดพองมัออกมาเองมผมก็ถอนแตเอ๊ะทาไมเรารู้สึกขึ้นมาเอง<ม>แล้วขณะต่อมาผมก็เลยพิจารณาลงไปอีก และจิตมันเหมือนกับว่ามันบอกตัวของมันเองมันคุยตัวของมันเองแล้วมันสอนของมันเองมันอีกตัวมันบอกว่ามันก็เหมือนกับเปลี่ยนนั่นแหละมันมีหัวและก้อต้องเอาตรงกลางไว้ทุกอย่างทุกสภาวะแล้วไม่ต้องไปคํานึงถึงเรื่องนิพพานเอาแค่ตรงกลางตรงกลางนี่นั่นแหละรู้อยู่คำว่ากลางนะอันแรกเลยอยู่กับปัจจุบันครับอดีตอนาคตเนี่ยไม่กลาง อยู่ที่สองกลางเนี่ยคือพ้นจากยินดียินร้ายไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้รูปเดียวเลยรู้อย่างเป็นกลางแต่ถ้าจิตยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันนะ ท, ที่พ่อถูกไฟดูดเราไม่เกี่ยวนะครั บ, ออ <c oughs> บแล้วหลวงพ่อคิดว่าผมควรจะจะเชื่อในจิตตัวที่มันมันเชี่ยจังอะไรก็ให้กลางหมดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามมันจะเชยแล้วบอกว่า หรือบางครั้งมันส่งออกข้างนอกก็บอกว่าไม่กลางแล้วนะมันก็จะพูดอย่างนี้แล้วก็พูดซ้ำๆจิตมันพูดพูดได้ช่างมันนะเรามีหน้าที่ดูเท่านั้นรู้ลงปัจจุบันรู้ว่าจิตมันพูดรู้ด้วยความเป็นกลางกลางกับมันด้วยนะไม่ใช่เชื่อมันนะเพราะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกไปให้กลับมาอยู่ที่ร่างกายให้ได้นะจิตมันกระจายออกนอกมากไปนะหลวงพ่ผมควรจะพยายามที่จะทําให้มันต่อเนื่องเหมือน ฉะนั้นว่าให้สติมันต่อเนื่องทั้งวันเลยหรือเปล่าครับรู้สึกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นจิตเคลื่อนไหวรู้สึกได้บ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีแต่อย่าหวังว่าจะต่อเนื่องถ้าพยายามต่อเนื่องอยากลายเป็นการเพ่งครับทําบ่อยๆให้บ่อยที่สุดแต่ไม่ใช่ตลอดเวลาครนะัถ้าจงใจจะรู้ตลอดเวลาเนี่ยจะเพ่งเอางั้นแต่จริงๆจิตมันก็บอกนะหลวงพ่อว่าในสิ่งที่มันมันพูดมันก็มีอัตราของมันว่าใช่อย่าไปเชื่อมัน ครับนะเราแค่ฟังเท่านั้น่ะก็รู้ว่าจิตมันทำงานไปเห็นไหมมันพูดได้เองมันไม่ใช่เราดูมันในแง่นี้เลยครับผมอ่ะไปเท่านี้พอละอานศกิไม่ได้มีปัญหามากหรอกแต่จิตไม่ถึงฐานนะเชิญขอบคุณแก่เวลานะครับในนามคณะศิษยอนุสิตนะครับแล้วก็คณะสัายาธิธรรมทุกๆคนนะครับที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับพุทธสถานเชียงใหม่ ตลอดจนท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังรายการนะครับการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงอยู่ทางบ้านขณะนี้นะครับก็ขอกราบขอพระคุณนะครับหลวงพ่อปราโมทปรมโชนะครับเป็นอย่างสูงที่ท่านได้เมตตาต่อพวกเราทุกๆคนในวันนี้ด้วยครับในลําดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญตัวแทนนะครับขึ้นอ่าบนเวทีนะครับเพื่อที่จะถวายผ้าตราวนะครับและเครื่องพยาธิธรรมแด่หลวงพ่อปราโมทปรมโชนะครับขอเชิญด้านบนเลยนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะกล่าวคําถวายนะครับโดยเดี๋ยวผมจะนําทุกๆ ท, ท่านนะครับกล่าวคําถวายตามนะครับเอาละครับพร้อมกันเลยนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายาขอน้อมถวายผ้าตไตรจีวร เ, เครื่องปัจจัยไตรยธรรมรกับสิ่งของอันเป็นบ ร, ริวารทั้งหลายเหล่านี้ แดหลวงพ่อปราโมทปราโมชโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับพระไตรปิวรเครื่องปัจจไยรยธรรมกับของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายปราบสิ้นการละนานเทิน